ตอนบา ร, รมีสิบวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจดกมนุสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณณิชีกัลยมิตรทุกคนนั่งสบายๆเนาะก็ทุกคืนวันเสารนะ์พวกกูกขอ็ขอแจ้งข่าวนะวันออกปรรษาคือวันที่แปดตอนบ่ายโมง พระภิกษุงสมมงฆ์สามเณรและคุณไมชีจะภาวนาตัวออกกัรษามเมื่อบ่ายโมงอยู่ที่อุโบสถตรงลานหินข้างล่างแล้วก็บ่ายสองแล้วก็ปฏิบัติเป็นปกติแต่ปฏิบัติอายตนะวิปสัสนากรรมฐ า, านชั่วโมงเดียวถึงบ่ายสามแล้วก็ราก็เดินทางไปที่ฐานหลวงพ่อใหญ่แล้วก็ เราเวียนเทียนนะเวียนเทียนเช้าหน่อยก็เสจคิดว่าคงขึ้นรถที่นู่นนะอันนี้ไม่ใช่ข้ อ, อ, อที่ว่าทุกคนต้องไปนะใครไม่สะดวกไม่ไปก็ไม่เป็นไรโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เพราะที่นึงคง่คงคนเยอะเราก็คงอยู่มืดเหมือนกันนะก็ไปที่ขงเจียมเราไม่ได้ไปสี่ปีแล้ว นะไม่ได้ไปสี่ปีแล้วก็ปีนี้มันมีขึ้นบ่าควรไปดูสัหน่อยนี่ทุกคนจะไปหวังอะไรนะเราหวังว่าเราจะผิดหวัง <c oughs> <c oughs> คือทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไฟไหม้เนี่ยไฟลังไหม้อยู่อยู่ที่ว่าเวลานี้เนี่ยเราจะลาดน้ำมันลงไปหรือจะลาดน้ําลงไปมันเปลี่ยนได้ เห็นจริงเห็นจริงเห็นเรื่อจริงแล้วก็ทํานนายทายทักกันเนี่ยกัรนั้นอันตรายมากต้อาเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงบางทีมันเป็นนิวเทียมดรือวยานิวจริงนิชันมันเปลี่ยนแปลงได้ในเงี้ยเงื่อนไขเวลานะเอาเป็นว่าเราไปเพราะไปนะอย่างน้อยๆไปดูบรรยากาศแม่น้ำสองสีนะระหว่างแม่น้ําโขงกับแม่น้ามูลมาชนกันตรงนั้น แล้วก็ปีแรกที่เราไปนั้นอนะ่ะเริ่มปีแรกนะเขายังไม่จัดงานอะไรบังเอิญเราไปแล้วก็ที่บุกเหตุบางไฟพญานาคเรื่องนี้ก็ข่าวกล่าวขานกันนักวิชาการกรุมมงเมืงเขาไปวิจัยอยู่แถวหนองคายก็สรุปเพราะกูก็ติดตามอยู่สองสามปีก็สรุปว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นนักวิยทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยสรุปอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าเราไม่เชื่อเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราก็ทาได้อันนี้ไม่มีไม่พิสูจน์เลยคาดคะเนว่าน่าจะเป็นปฏิกิยาทางเคมีใต้ในน้ำโของอะไรเนี่ยเออดวงไฟหรือดวงอะไรก็ช่่งถ้ามันผ่านน้ำขึ้นมามันดับหมดนะเนาะแล้วก็มันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีเสียงมันเป็นอะไรที่ลอยขึ้นมาเฉยๆเนะ่ะ แต่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่พ่อครูไม่อยากใช้คำว่าความเชื่อไม่เชื่อถ้าเชื่อไม่เชื่อเป็นความหลงงมงายนะเราฝึกจิตมันเป็นยานทศัศนะอย่างหนึ่งเราพูดว่าเชื่อก็เป็นวิชาทิฏฐิพูดว่าไม่เชื่อก็เป็นวิชาทิฏฐิเอาเป็นว่าตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยแน่นอนพญานาคมีจริงแน่นอนนะเขาถึง วัดที่ไหนก็ปั้นเป็นรูปพญานาคอะไรมามันมั น, ม, นมันมาตลอดอะนะแต่ปัจจุบันนี้มีหรือเปล่างา่เรื่องนี้เราพูดว่ามีหรือไม่มีก็เป็นวิชาทุติแต่สาหรับพวกเราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยมีก็สักแต่ว่ามีไม่มีก็สักแต่ว่าไม่มีเห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็แค่นั้นหลายสิ่งหลายอย่างนี่ซึ่งวิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงนะ สมมติเราเป็นปิกิยธทางเคมีเนี่ยมันคนมีนาฬิกาปลุกด้วยนะตั้งหนดวันออกพรรษาเท่านั้นวันอื่นไม่ออกนี่นะนักวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาทำได้แต่ไม่เคยพิสูจน์อะไรเลยก็สรุปแบบมักง่ายอย่างน้นอยๆละ่ะไปทำลายวัฒนธรรมทำลายสมบุติมบัญญัิของเขาบางทีความศรัทธาความเชื่อของผู้คนเนี่ยอย่างชาวเขาเนี่ยเขาถือผีถือส นะพวกเราไปหาว่าไอ้พวกนี้โง่หลงเงินไงแต่ชาวเราเนี่ถือศักด์ถือศีแย่กันถือราชโยชร์เถลอะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองบอกไม่เป็นไรชาวเขาเขากลัว ผ, ผีเขาก็ไม่ทําชั่วเขาก็อยู่อย่างสันติเสรีโดยไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีกฎหมายไปคุมคองมันก็เป็นเองอีดายที่ทําให้เขาอยู่อย่างสันติ แต่คนยกนี้เนี่ยเราไปอวดรู้อวดเห็นอวดเก่งอวดเก่งจริงๆริอพราะครูก็ชอบนะเก่งต้องพิสูจน์ให้มันเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างไงต้องพิสูจน์ว่าเราก็ทําได้เราสร้างปฏิกิริยาทางเคมีก็ได้อันนี้มักง่ายอะไรที่ฉันไม่เชื่อทุกฉันก็พูดในชนทําลายวัฒนธรรมของเขาอันนี้พ่อครูไม่เห็นด้วยนะเอาเป็นว่า พญานาคมีหรือไม่มีนั้นฉบับเรามันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์เลยไม่เกี่ยวหลายปีที่นี่ไงมาถกกันพญานาคมีไม่มีเดี๋ยวเขาก็มาบอกเราเอ๊ะมันมต่างดาวมีไหมเดี๋ยวเขาก็มาบอกเราเอาเป็นว่าที่เขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั่นแหละเนาะนะยอย่าไปเล่นกับสิ่งเหล่านี้มันเล่นแล้วได้อะไร ออกความเห็นแล้วเนี่ยขัดแย้งแล้มันได้อะไรมีแต่ได้จะทําลายความรู้สึกคนอื่นเขานะเขาจะเอาอะไรกลามะพร้าวบางเอิญมั น, ม, นมันลูกสมมันแปลกๆ แ, นะแล้วเขาจะไปนั่งกล่าวว่าแล้วก็มีความสุขนี่ก็เรื่องของเขาเขาไม่ไปทะเลาะ ก, กับคนอื่นก็ดีแล้วเห็นไหมไอ้พวกเรานักเียดสา ร, รอะไรเถียงกันไม่รู้จะจบเลยนะไม่ใช่นักเวียดสาเป็นคนไม่ดีนะพวกกูก็ส่งเสริมให้ คิดแบบวิทยาศาสตร์ทำแบบวิทยาศาสตร์อย่าพึ่งเชื่ออย่าพิ่งดวนสรุปถ้าน้ำวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเราต้องทดลองทดสอบให้มันรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่คาดคณีเอาแต่ตอนนี้สังคมมันเป็นแบบนี้หมดก็ก็ไม่เป็นไรปีนี้เราถือว่าออขอให้เป็นเห็นแม่น้ําขงเนาะเราเนี่ย ทุกปีเนี่ยเราไม่ทําลายสมมุตินะครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าสามเณีไม่ฉีทั้งก็มาจำบรรษาที่นี่นะเมื่อครบห้าองค์เนี่ยตามประเพณีต้องการให้พรรษาครบองค์เราก็มีการทอดกระถินกันและกระถินนี้พระคุณเจ้าท่านไม่ได้แต่ต้องเลยทุกปีท่านก็มอบให้ศูนย์เนี่ยมาสร้างศาสนสถานแล้วก็ช่วยเหลือเด็กยากจน นะอันนี้เป็นกิจกรรมกิ จ, ก, จกิจวัตรประจาปีแล้วก็หลายปีมาเนี่ยเราได้ทำกระถินทุกปีเพราะพ ร, ะ, พระคุณเจ้าเปินห้าลูกตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งมีสองครั้งคือกระถินครั้งหนึ่งแล้วก็พระป่าครั้งหนึ่งศูนย์ไม่ได้เรียอะไรทั่วไปนะแต่เราบอกบุญนะให้ทุกคนมีโอกาสมาสร้างบุญร่วมกันโดยเฉพาะกระถินปีนี้เนี่ย เป้าหมายก็คือว่าเราจะขยายศาลานะพอคนมาเข้าค่ายแล้วเนี่และแนวเราเนี่ยมันใช้พื้นที่เยอะมากอย่างสาขาเราที่ที่ที่กรุงเทพนะตอนนี้ยังอัดกันยังกระ ป, ป๋องเลยคือคือน่าสมสารมากคือยืนเต้นอยู่ตรงนั้นนะขยับไม่ได้ <laughs> ไปทางนี้ก็ชนนี่ไปทางนี้ก็ชนเนี่ยนะทีนี้ไอ้แนวนี้มันต้องคิดว่าเบิก บ, บานแล้วก็ปวดปล่อย เราต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยหนึ่งนะก็เอาว่าถึงเวลาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามจริตพวกครูเนี่ยไม่จําเป็นพระคุณไม่อยากสร้างอะไรหรอกอยู่กับป่าก็ดีแล้วเราสร้างวัตถุเท่าที่จําเป็นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างคนโดยเฉพาะเขาบอกว่าขุดบ่อน้ําสร้างศาลาเนี่ย ได้อันยิสงสูงเราตายไปแล้วบ่อนะ้ามันคนก็ยังมาดื่มมากินถึงลูกถึงหลานโดยเฉพาะศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งสร้างคนแล้วก็ศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งปฏิบัติบูชาทุกวันเนี่ยในโลกนี้คงไม่มีชักกี่แห่งหรอกมากน้อยก็ช่างอย่าพลาดโอกาสนี้บาทหนึ่งสองบาทอย่าให้โอกาสนี้ผ่านไปช่วยกันนะจริงจิแล้ว พ่อครูทาตามเหตุและปัจจัยบางคนถามพ่อครูที่นี่ค่าใช้จ่ายเยอะๆวันนึงเลี้ยงคนเป็นพันอะไรๆพ่อครูพ่อครูไม่เคยกังวลเรื่องนี้เลยถ้าอะไรที่ควรทําเราทําเลยเดี๋ยวมันก็เสร็จเดี๋ยวมันก็เสร็จยิ่งให้ก็ยิ่งได้เพียงแต่ว่าได้ในที่นี้นี่คือไม่ใช่ว่าเราได้อะไรเราได้ให้ได้โอกาสได้ให้มากขึ้นนะอันนี้ก็บอกว่าเราออกไป ถือว่าแล้วก็การทําวัดเย็นในวันที่แปดนั้นเราไปดูที่ น, นู่นอยู่ริมโขงถ้าเหตุปัจจัย อ, อ้วมหน่วยปุ๊บเราก็ทําวัดเย็นที่นู่นนะเฉลิมฉลองกับพญานาคเขาดีไม่ดีนะเขาดีใจมาเขาก็คือคําว่าบั้งไฟพญานาคเนี่ยตามตํานานเนี่ยคืออะไรพระครูสอนผ่านได้นะยุคนี้นี่มนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยเอาศาสนาแล้วนับถือศาสนาแค่เปลือกกระพีพิีรีตอง บางครั้งเอาไว้เผาศพเผาผีเฉยๆมีพญานาคเท่านั้นเนี่ยที่เขาเป็นตั้งมั่นถวายชีวิตช่วงเข้าพรรษานี่เขามุ่งมั่นบาเพ็ญเพียรหลายคนนั่งนะนั่งก็หมุนหมุนเนี่ยอันนี้นะนเนี่ยบเป็นตบะนะอันนี้บำเป็นตะบะนะอันนี้เขาห่วงมากไม่ใช่ไปนั่งดูให้มันเกิดดวงแก้วนะเขาสร้างพลังตัวนี้ขึ้นมาแล้ววันออกพรรษานั้น ภายในสามเดือนเนี่ยเขามุงมั่นทุกวันวันออกพรรษานั้นเขาขายดวงแก้วถวายเป็นพุทธบูชาตอนนี้เขาเป็นห่วงสังคมมนุษย์โลกมากนะเดือดร้อนไปถึงเขานะเขาอยู่ใต้บาดาลดีๆนี่แล้วก็น้าบาดาลเขาขึ้นมาใส่ขวดขายไปอะไรเด้อแล้วก็เราไปเจาะ เราไปเจาะน้ํามันขึ้นมาหลายล้านมาเรื่องแต่เป็นผมก็ถลม่มก็เกิดซูนปมิอะไรบ้างนะ้ํามาดานโลกมันเอียงนะนะ้ํามาดานเขาก็เปลี่ยนทิศเขาเดือดร้อนมากมนุษย์เราเนี่ยิ่งกว่ายักษ์นะกินหินกินทรายกินเหล็กใต้ดินกูก็เอาบนดินก็เอาบนอากาศก็เอ า, น, า, า, เอานะยักษ์เบี่ยมกลัวเลยนะเราต้องไม่ให้กําลังใจพยายนาคก่อนหน่อยหนึ่งสมมติว่าเขาฉลองนะเราสมมติเอานะ เออเราก็ไปร่วมฉลองเขาตาชี้จเจตนาอยู่ที่ความรู้สึกเราถ้าความรู้สึกเราเป็นกุศลก็ลได้กุศลแล้วก็เหมือนพระบรมสารีรัตน์นั่นรู้สึกองค์เดลมาะเคยพูดนะเขาบอกอันนี้จริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริ ง, รงมันอยู่ที่ความศรัทธาของเราถ้าของจริงตั้งอย่างนี้เลยเราไม่ศรัทธาก็คือก้อนอิดก้กอนหินธรรมดามันอยู่ที่ความรู้สึกเราเท่านั้นเอง นะถ้าเรามีตั้งมั่นศรัทธาแล้วเนี่ยเราทำแล้วเราก็ได้ก็เราดูเหตุการณ์ก็ค น, นก็วันนั้นน่ะที่สำคัญที่สุดนะก็บอกปุ๊กว่าเรื่องรถลาทางมิจีสา ม, มเณรหรือภิกษุนี่ต้องจัดไว้ให้ดีดูว่าใครจะรับผิดชอบทุกคันรถไปจอดอยู่เป็นหลังผ้าใหญ่ทั้งนั้งหมดนะที่ส่วนคันอื่นๆนยนะญาติธรรม กระเลนนิดที่ไม่มีรถเราก็ขึ้นไปนู่นใครมีรถเอาออกมาทั้งหมดเลยแล้วครูที่นี่เพราะครูจะให้เอารถมาทุกคันแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็รถกระบะก็นั่งหลังได้ไม่เพราะช่วงเย็นๆก็ไม่ร้อนเพราะเราวิ่งจากที่นี่ไปที่ขมเกียมไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคงขึ้นชั่วโมงอะไรเสศษๆกันนั้นเองนะแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่นู่นก็ลองดูนะสี่ปีแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เดินทางไปปีนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะ ที่นี่คนเป็นสองสามร้อยคนเนี่ยก็เดี๋ยวพระครูจะให้ทางครูเข้าไปเช็คพื้นที่สถานที่อะไรที่จอดรถแล้วก็ ท, ที่ที่พวกเราจะไปนั่งกันก็ดูเหตุการณ์ว่าเขาคงไม่ต้องดึกเท่าไหร่นะแล้วก็ไปดูแล้วก็กลับมาแล้วก็ตอนเช้าวันที่เก้าเราก็พระภิกษุสามเณรวิชีเขาก็บินทบาทกันนะอยู่ ใต้ฐานพระใหญ่แล้วก็ทำบุญตักบาทอันนี้เป็นการคือยังไงล่ะแสดงออกถึงความนุธิตาจิตที่ท่านเข้าพรรษานั้นท่านมุ่ง ม, มั่นบำเป็นเพียนทำหน้าที่ อ, อ, อยู่ในพรรษาอย่างสมบูรณ์ลาบรื่นนะที่นี่หลายปีมาเราก็รักษ า, ากิจกรรมตัวนี้ไว้นะประเพณีวัฒนธรรมที่ดีๆแล้วก็รักษาไว้ให้คนรุ่นหลังเขาทำต่อที่นี่ไม่ค่อยปรุงแต่งนะ เอาทำปีหนึ่งเราก็เวียนเทียนวันเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็วิสาขาบูชาวันมาฆาบูชานะปีหนึ่งสี่ครั้งทำเวียนเวียนเทียนกันรักษาประเพณีที่สวยงามอันนี้ก็บอกข่าวนะส่วนท่านใดจะไม่สะดวกไปก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าว่าไปได้ก็ลองไปดูนะ ไปลองไปดูไปรับพลังดีๆบางทีอาจจะโชคดีก็ได้เคนะก็มีคำถามไม่ยาวแต่ทำให้พระครูต้องทำการบ้านยาวเลย <c oughs> นะมันต่อเนื่องกับเสาที่แล้วก็พครูพูดถึงเรื่องสัญนศึกสีกนี้แล้วเอ่ยไปถึงสีกนี้บัรมีสิบ ก็มีคำถามมาว่าการเรียนถานพระครูค่ะเมื่อสังโยชนสิธิเป็นสิ่งขวางกัน้นการเดินทางของจิตดังนั้นบา ร, รมีสิทเป็นข้อทางที่กำจัดสังโยชน์ใช่หรือไม่คะไม่อยากใช้คำว่ากำจัดน้องมันโหด้ายไปแค่ <c oughs> เราคิดเกียรติชั ง, งานาเนกก็บาปแล้นะ <c oughs> จิตไม่เป็นเมตตา คำว่ากำจัดนู้เรา๋ยังเกียดเขาถ้าเราลังเกียดสัญญาติสิทเนี่ยเราเรังเกียจตัวเองเพราะเราสร้างมันขึ้นมาเราสร้างเขาขึ้นมาหมดเลยถ้าเรารังเกียจเขาคืเราเรารังเกียดตัวเองเนี่ยนะเอาเป็นว่ า, าให้รู้เท่าทันเขาสัญญาติสิทเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นแค่สิ่งขวางกั้นทางเดิมของจิตนะมันเป็นตัวสร้างวัตถะสงสารเลยล่ะแต่ว่า สิ่งนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดนิวรณ์ห้านิวรณ์คือสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตเวลาเราปฏิบัตินิวรณ์ต่างๆนะความรังเรสงสัยง่วงหนาวหาวนอนความซึมเศร้าความหลงในการมลาค้าต่างๆเนี่ยอารมณ์พวกนี้แหละมันเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตแต่เฉพาะสัญยาณสิบไม่ใช่แค่สิ่งนั้น ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทําให้เราอยู่ในข้ามวัฏฏะสงสารนี่แหละสร้างเวรสร้างกรรมขอการเรียนขอพระครูกรุณาอธิบายรายละเอียดของบารมีสิบและวิธีการสร้างบารมีทั้งสิบเหมือนด้วยค่ะแต่ท่านนี้ได้สังเกตว่าแผ่นป้ายในศาลาดูเหมือนว่าแผ่นป้ายบารมีที่อยู่ตรงข้าง้า้สังโยชน์ไม่ได้เป็นข้อธรรมที่ แก้กันเป็นคู่คู่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่มีสุดตายตัวหรอกเด็กกระทั่งเขาเขียนในวิชาการพวกนี้สําหรับพวกครูแล้วอ่ะบา ร, รมีสิทเหมือนกันนะถ้าเป็นบา ร, รมีสิทของพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยเขาจะเรียนบระดับใหม่ถ้าบา ร, รมีสิทของพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาเริ่มจากเมฆขมมะคือคืออย่าไปติดตรงนี้อย่างยกตัวอย่างว่าไกสิกขา ใส่สิขาก็คือสินสมาธิปัญญาแล้วเรียงลาดับสินสมาธิปัญญาแต่พอขยายความไปถึงมรรคมีองแปดเห็นไหมทาไมไม่เอาสินขึ้นก่อนทําไมเอาสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนเห็นชอบเห็นชอบดบำลีชอบเป็นเรื่องของปัญญาวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเป็นเรื่องของศีลความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเป็นเรื่องของสมาธิกลายเป็นว่าถ้ายังลําดับกลายเป็นว่า ปัญญาศีล ส, สมาธิมันก็ไปขัดแย้งกับใจสิกขาเห็นไหมพอกูว่า อ, อย่าไปติดห่วงร่วมพวกนี้นะมากจนเกินไปอย่างสังโยชน์เนี่ยวันเสาร์นี้พอ ก, กูก็พูดให้ฟังแล้วว่าเขาเอาตัวอวิชชาไว้สุดท้ายเลยแต่ขมวดสุดท้ายแล้วว่าเอาวิชาคือที่มาของทั้งหมดถ้าจริงๆแล้วต้องเริ่มจากอาวิชชาก่อนเห็นไหย แต่ทีนี้วิชาการต่างๆที่เขาบันทึกมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้นะพวกครูจับสูตรต่างๆน่ยที่เขาเขียนเป็นวิชาการเนี่ยมันมันไม่ไม่เรียนลำดับตรงเพศหรอพพกพระเจ้าที่บอกว่าไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายนะมันไม่ใช่วิชาการเขียนแบบว่าทุกคนต้องจําเหมือนกันหมดอย่างทุกวันนี้เราสอนเลขคณิตเด็กนะหนึ่งบวกสองเท่ากับสามถ้าบางเอเดว่ามันเขียนสองบวกหนึ่งเท่ากับสามเาบอกวันผิด มันไม่ตรงตอนนี้วิชาการเป็นแบบนี้แต่ทีนี้วิชาการดังพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ทุกๆสูตรทุกๆุกกกหมวดที่ทรงบันทึกมาทรงเป่งออกมาแล้วเนี่ยมันไม่แยกกันอย่างชัดเจนเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดเลยนะเอาเป็นว่าอบา ร, รมีทั้งสิบเนี่ยไม่ได้มีว่าตัวไหนขึ้นต้นหรือว่าลงท้ายก่อน แล้วก็ข้อไหนกันจัดข้อไหนไม่ใช่ต้องทํารวมวๆกันหมดเหมือนกายเวท น, นาจิตธรรมต้องเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันนะจริงๆแล้วถ้าย่อลงมาเนี่ยบา ร, รมีทั้งสิทนี่เกิดขึ้นจากทานศีลภาวนาก็เกิดขึ้นจากตรงนี้เนี่ยเราปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยบา ร, รมีทั้งสิทนี่มันก็เกิดขึ้นเองเพียงแต่ว่าเขาแยก ให้มันชัดเจนเป็นหมวดเป็นหมู่แต่เราไม่ใช่ว่าเราต้องไปสร้างทีละอย่างทีละอย่างอย่างตัวสุดท้ายเนีเมตตาอุเบกขาเนี่ยนะมาจากไหนพร ม, มิหารสี่เมตตาขรย์าวุธิตาอุเบกขาเห็นไหมคือว่าทุกอย่างบางทีท่านพูดเรื่องบงนันไศีลพวกไหนท่านก็พูดงวมกันว่าเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าไปทําทีละเรื่องนะเพียงแต่ว่าถ้าถามเป็นเรื่องวิชาการพวกครูก็ทําการบ้านนะ จริงแล้วรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าถ้าต้องการรู้แล้วก็เอาเป็นอะไรล่ะเอาเป็นรู้แค่เป็นแนวทางแล้วก็มาประเมินตัวเองว่าตัวเองมีตัวนี้ไหมนะเหมือนตลอดวัดเรานาดนั้นนะก็ข้อหนึ่งที่เขาเล่กจากข้อหนึ่งคือทานบารมีเป็นบาลมีที่เกิดจากการให้ให้ทานคือจาคะคือสลัดออก บุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะอันนี้ทานนะทีนี้เขาก็อธิบายเป็นภาษาไทยส่วนอธิบายถูกวิผิดนั้นผู้เจ้าบอกอย่าพ่งเชื่อเพราะธรรมะใดๆเป็นเป็นภาษามนุษย์แล้วมันจะยากเกินไปเรารู้แค่สังเกตเป็นแนวทางเป็นแผนที่เป็นลายแทงแต่เราต้องปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นกับเรา การไม่ใช่จะเป็นบารมีทั้งหมดการให้ที่เป็นบารมีคือการให้ด้วยเห็นว่าการให้เป็นความดีเป็นสิ่งที่คนเราพึงทำถ้าเรามีความรูม้สวกความรู้สึกอย่างนี้นะเพราะทำให้ผู้อื่นพ้นจากความลำบากได้รับความพอใจจึงนุ่งให้เพื่อรักษาความดีให้โดยไม่คานึงถึงผู้รับหรือผู้ใด ได้ประโยชน์ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูเราไม่ใช่เลือกคนให้นะให้ลูกหลานเราเราก็ดีใจให้คนที่เราเกลียดชังมันเราไม่ให้อันนั้นไม่ใช่บารมีเช่นนี้จึงเป็นทานบารมีเช่นพระเวสสัมดรทรงให้ทานด้วยทรงต้องการรักษาความดีข้อนี้ไว้ด้วยทรงเห็นว่าเมื่อมีผู้มาขอเมื่อมีของก็วควรให้การไม่ให้ไม่ควร จึงจัเป็นทานบารมีส่วนการให้ตามปกติเช่นพ่อแม่ให้อาหารเงินเสื้อผ้าเป็นต้นแก่ลูกยังไม่ถึงขั้นเป็นทานบารมีเพราะมันมีอาณาจิตรเราให้เพราะว่าเขาเป็นลูกเราไม่ใช่ทานบารมีทานบารมีเนี่ยต้องบริสุทธิ์ไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ไม่เลือกคนให้ถึงจะเป็นศัตรูเราก็ช่างเราก็ให้ เขาเรียกสัดนดนไงเห็นไมชูชกขอกันหาชาลีให้เลยใครทนตรงนี้ได้ไหมดูตัวเองเนาะว่าเราได้ทำทานบารีไหมหรือแค่ซื้อบุญเฉยๆนะทำบุญตามบุญไม่ใช่บุญนะทำบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยบาทสาธุ ข, ขอถู ก, อถ ก, กับวันที่หนึ่ง นี่เป็นอามิตรไม่ได้ทานบารมีเป็นแค่บุญกิริยาเป็นกิริยาในการทําบุญกับจิตไม่เป็นกุศลเลยจิตเป็นกุศลเนี่ยต้องไม่มีเงื่อนไขอ่อันนี้คือทานบารมีศีลบารมีนะที่เขาเขียนเป็นข้อที่สองนี่แหละไม่ใช่พวกครูเขียนนะเรื่องวิชาการต่างๆพวกครูจะไม่พยายามจะไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพูดตามหลักวิชาการให้ฟังและบางทีเนี่ย เอาความรู้สึกพ่อครูเนี่ยมาบอกเพิ่มเติมนะเพราะมันเป็นวิชาการสินแต่ว่าปกติสงบเย็นส่วนสินห้าสินแปสิน 10, สิบสินปฏิโมกเนี่ยเป็นวิหนซึ่งเกิดขึ้นทีหลังเป็นสินในการอยู่ร่วมเหมือนกับตั้งกตกกาเพื่อป้องกันไม่ให้เรากระทบกระทั่งกันเท่านั้นเอง สนินคือความปกติของจิตตอนนี้ถาแล่พระครูถือสินเท่าไหร่พระครูเหี่ยงทิ้งหมดแล้วมันหนักแต่พระครูไม่ทำชั่วแน่นอนยี่สห้าปีแต่ก่อนหน้านี้บอกเลยว่าทำทุกวันสี่สิปีวิ่งไปตามโลกสินในทางปฏิบัติหมายถึงการงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายและวาจาการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยงดงามให้ปราศจากความมัวหมอง ไม่ให้ผิดปกติธรรมดากล่าวคือการไม่ทำผิดไม่พูดผิดนั่นเองจัดเป็นศีลศีลเป็นเหตุให้คนอยู่กันเป็นปกติไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันไม่ลักขโมยของกันและกันทำให้เกิดความสมบสุขในสังคมและจัดเป็นบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าศีลใม่บุญเกิดจากการรักษาศีลคือเมื่อได้รักษาศีล ชื่อว่าได้ทําบุญนะอันนี้คือศีลศีลคือความปกติถ้าจิตเราเป็นปกติมันไม่มีความอยากแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปถือศีลที่เป็นตัวหนังสือแต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นศีลที่เป็นตัวหนังสือมีประโยชน์เป็นตัวเตือนสติเราเพราะเรายังไม่มีศีลอย่าทํำนะผิดศีลเหมือนเรากฎหมายบ้านเมืองก็เหมือนเป็นเป็นศีลอย่างเนี่เป็นกติกาของสังคมเนี่ยนะเป็นเตือนเราจะผิดน้านด้ผิดกฎหมาย นะถูกปรับติดทุกติดารางนะถ้าคนที่ยังเข้าไม่ถึงศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยศีลซึ่งเป็นวินยัยต้องใช้ข้อที่สามตัวปัญญาถ้าแปลตรงๆเแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ทั่วคือรู้รอกแต่ทุกวันนี้วิชาการเนี่ยเรารู้แค่วิชาการที่เราเรียนยกตัวอย่างว่าพระครูถามว่านาฬิกาเนี่ย เลขสูงสุดอยู่ที่ไหนทุกคนตอบว่าเลขสิบสองเห็นไหมถามว่าเลขหกถึงเลขสิบสองในกี่นาทีทุกคนตอบว่าสามสิบนาทีแล้วถ้าเลขหกเนี่ยถึงเลขหกี่นาทีหกสิบนาทีสูงสุดมันอยู่ที่เลขหกทุกวันนี้เรารู้วิชาที่เราเรียนแต่เราไม่ได้เรื่องกฎแห่งกรรมเราสร้างเราลดมิเคีย์มาหรือว่ามันเก่งที่สุดมันแรงที่สุด ก็สร้างขึ้นมาแล้วสุดท้ายกรรมที่เราสร้างตรงนี้นะ่ะเดี๋ยวเครื่องมืตอตัวนี้จะสร้างลูกจะฆ่าลูกหลานเราต่อไปเราไม่รู้รอบเราไม่รู้ทั่วปัญญาจริงแปลว่าความรู้ทั่วคือรู้ทั่วถึงเหตุและผลรู้อย่างชัดเจนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษรู้สิ่งที่ควรทำควรเว้นเป็นต้นเป็นธรรมที่คอยกำกับศรัทธาไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย ปัญญาทำให้เกิดขึ้นสามวิธีคือที่บอกว่าสุตระมยปัญญาโดยการสดับตัจจังการศึกษาเล่าเรียนส่วนจินตมยปัญญานั้นเกิดขึ้นโดยการคิดคน้นการตรึกตรองนะจินตนาการเอานี่เรียกว่าจินตะมยปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งสามภาวนาไมยปัญญาเกิดขึ้นโดยการอบรมจิต การเจริญภาวนาหรือส ม, มถวิปัสนาอันนี้ปัญญาปัญญาที่เป็นระดับอธิปัญญาคือปัญญาอย่างสูงจิตเป็นศิกขาข้อหนึ่งในศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาปัญญานี้ถือว่าเป็นอธิปัญญาถ้าใครเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตเดียวนะ ชีวิตเราในวัฏฏะสงสารอย่างเบสเทธทุกคนทำได้ตำรวจไม่จับไม่ต้องขอวีซ่าข้อที่สี่เนคขมะบาลมีรรมแปลตรงๆว่าการออกการออกจากความชั่วไลยก็ดีการออกบวชความไม่มีการกิเลสเรียกว่าบวชเนคขมะ เนฆมหมายถึงการละเยาเรืนอนออกไปบวชเป็นนักบวชการละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์เป็นการปลดเปื้องตนออกจากโลกิยาวิสัยไปบำเพ็ญเพียร เ, เพื่อความปลอดจากราคะและตัณหาปกติให้เรียกการออกบวชของนักบวชทุกประเภทและใช้ได้ทั้งชายและหญิง เนคขมะในพุทธศาสนาจากเป็นบารมีอย่างหนึ่งเรียกว่าเนคขมะบาลมีคือบารมีที่เกิดจากการออกบวชอย่างช่วงเข้าพรรษานี้ทุกคนเนี่ยออกบวชโดยบวชชีบวชเนรบวชพระนะหรือว่าบวชจิตอันนี้เรียกว่าเราออกบวชเพราะเราละทิ้งพวกโลกียธรรมทั้งหมด นะพันศาหนึ่งเราก็ผ่านไปนี่คือเราเกิดบา ร, รมีถ้าเราไม่มีความอดกัน้นอดทนมไม่ความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยเราผ่านมาถึงสามเดือนไม่ได้อันนี้ก็เกิดบา ร, รมีเรียกว่าเนคขมะบา ร, รมีนะวิริยะบา ร, รมีแปลว่าความเพียรความพยายามความกล้าที่จะลงมือทำาภาละภาวะของผู้กล้า เป็นแนวทางให้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จตามประสงค์วิริยะเป็นเหตุให้กล้าลงมือทำงานและกล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆขณะทำงานตรงกันข้ามหากขาดความเพียรพยายามเสียแล้วก็ไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายได้ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนจะเลื่องทุกได้ก็เพราะความเพียรอันนี้ทุกคนก็สมโยคตัวเองเรามี ทุกคนมีนั่นแหละมีมากน้อยแค่ไหนนะอย่าพอใจแค่นั้นเราต้องสร้างความเพียรให้มันแข็งแก่งขึ้นทุกวันกิเลสไม่ชอบนะกิเลสไม่ชอบเราต้องมีและต่อไปขันติบารมีคือความอดทนหมายถึงความอดกั้นไว้ได้ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน หรือความไม่พอใจความฉุนเฉียวออกให้เห็นขันติมีลักษณะดังนี้ทนต่อความลำบากปรากตรำไม่แสดงอาการท้อแท้หรือยอมแพ้ทนชืู้ได้ทนต่อทุกขเวทนาไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินเหตุเมื่อเจ็บป่วย ทนต่อความเจ็บใจไม่แสดงความไม่พอใจเมื่อถูกคนอื่นกระทบแดกดันทนต่ออานาจกิเลสได้แสดงอาการอยากได้หรือโกรธเคืองจนออกนอกหน้าถ้าทุกคนไม่มีขันติเนี่ยพอชนนิดหนึ่งเราก็แสดงความไม่พอใจอันนี้ทุกคนต้องประเมินตัวเองนะเรามีแค่ไหน ขันติเป็นเหตุให้ผู้มีขันติดูดีงดงานมีเสนามากนาเก่งขามจึงเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งในทศพิธราชธรรมและเป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งตัวขันตินี่สำคัญมากนะทุกอย่างชีวิตเราต้องใช้ขันติส่วนมากขันแตกหมดบางทีไม่ใด้ขันแตกนะเผลอในโองแตกเลยอันนี้ทุกคนสำรวจตัวเองว่าเรามีแค่ไหนนะ ข้อต่อไปคือสัจจะหมายถึงคําพูดก็ได้คุณธรรมก็ได้แปลว่าคําจริงคือคําตรงคาแท้คําที่ไม่โกหกหลอกลวงบิดเบือนสัจจะที่เป็นคุณธรรมแปลว่าความซื่อสัตย์ความจริงใจความมีสติซื่อตรงไม่คิดโกหกหลอกลวงรักษาคํามั่นสัญญามั่นคงลักษณะของผู้มีสัจจะ คือผู้อย่างไรทําอย่างนั้นรักษาคำพูดซื่อสัตย์จริงใจไว้วางใจได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความบริสุทธิ์ใจต่อคู่ครองของตัวและบุคคลทั่วไปไม่เป็นคนสับปับหน้าไห้หลังหลอกสัจจะทำให้เกิดความไว้วางใจกันให้มีความบริสุทธิ์ใจต่อกันและรักษาสันติภาพรักษาไมาตรีรักษาสามัคคี กันไว้ได้อันนี้ในหลวงให้เรามาแล้วนะดูรักษาเมื่อขี่ต้องใช้สัจจะเรารู้ทั้งหมดแหละแต่เราไม่ค่อยทำกันข้อต่อไปอธิษฐานแตลว่าการตั้งใจมั่นการตัดสินใจการตั้งความปรารถนาอธิษฐานในคำวัดหมายถึงความตั้งใจมั่นตัดสินใจแน่นอนที่จะทำความดีเช่นตั้งใจเรียนรู้ ตั้งใจรักษาสัจจะตั้งใจประกอบความเพียรตั้งใจเสียสละตั้งใจทำบุญตั้งใจหาความสงบเรียกว่าอธิษฐานบารมีตอนนี้เราอธิษฐานว่ายังไงข อ, อให้ได้เป็นนู่นให้ได้เป็นนี่ให้มีลากรสละเสริญมีตะกิเลทั้งนั้นเนาะ <c oughs> อันนั้นก็อธิษฐานเหมือนกันนะนะถ้าพระครูมีเวลาจะเล่าให้ฟังอ่อ มีคนมาปฏิบัติงานอดีตชาเขาอธิษฐานว่าได้ยังไงแล้วมันเกิดยังไงตัวเมตตาบา ร, รมีแปลว่าความรักความหวังดีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นความรู้สึกที่เป็นนิตรความไมตตีต่อกันเมตตาเป็นคุณธรรมสําหรับผู้นําหรือผู้ใหญ่เป็นเหตุให้เป็นที่เคารพรักนักถือของผู้น้อยและได้ความจรรยาพักดีตลอดไปผู้ปฏิบัติเป็นประจำนอกจากทําให้เป็นคนมี มีสีหน้าช่างชุ้นเบิกบานแล้วยังได้รับอนิสงฆ์อีกมากเช่นนอนหลับสบายไม่ฝันลายไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยเพราะคนเขารักเราตัวสุดท้ายตัวอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความวางใจเป็นกลางอุเบกขาหมายถึงความวางเฉยแบบวางใจเป็นกลางๆาง โดยไม่เอ็นเอียงเข้าข้างเพราะชอบเพราะชังเพราะหลงและเพราะกลัวชันไม่เสียใจเมื่อคนที่ตนรักถึงความวิบัติหรือไม่ดีใจเมื่อศัตรูถึงความวิบัติไม่ใช่วางเฉยแบบไม่แยแสหรือไม่รู้ไม่ชี้ทั้งทั้ง ท, งที่สามารถช่วยเหลือได้เป็นตน้นอเุเบกขาไม่ได้แปลว่าสูบื้อนะไม่ใช่ว่าตายด้าน ลักษณะของผู้มีอุเบกขาคือเป็นคนหนักแน่น ม, มีสติอยู่เสมอไม่ดีใจไม่เสียใจเกินเหตุเป็นคนยุติธรรมยึดหลักความเป็นผู้ใหญ่รักษาความเป็นการไว้ได้มั่นคงไม่เอ็งเอียงเข้าข้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุผลให้คุณให้โทษต่อผู้อื่นด้วยเหตุผลถูกต้องครงธรรมและเป็นผู้วางเฉยได้ในเมื่อ ไม่อาจประพฤติเมตตากรุณาหรือมทุทิตาได้ก็ต้องใช้อุเบกขาช่วยก่อนคือถ้าเรานิ่งเฉยพุทเรศเราก็ไม่ทําไปสร้างกรรมถ้าเราทำด้วยอารมณ์ตรนนั้นเราไม่เฉยเราทำไปอาจจะดีและอาจจะลายนะเราเฉยไว้ก่อนนิ่งเฉยตารึงทองก็อุเบกขาเนี่ยเมื่อกี้พระครูอ่านถึงเรื่องต้อง ถูกทานองคลองทําเนี่ยในหลวงเราหลายปีก่อนท่านเคยให้ข้อคิดว่าตอนเศรษฐกิจปี40เนี่ยร่วสลาย IMF โคองตัวสติคนไทยเราว่าถอยหลังเข้าคลองบางทีนักวิชาการที่เขาวิ่งไปตามกระแสลมมากๆเขาไม่เข้าใจก็บอกเดินมาขนาดนี้ถอยหลังเข้าคลองได้ยังไงไม่ใช่ถอยหลังแบบนั้นนะ ขอย ห, หลังเข้ามาสู่ธํานองครองธรรมที่มันควรจะเป็นเนั้นตอนนี้เนี่ยเราสอนเด็กๆว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีเราเข้าใจว่ารักลูกต้องตีมันเอามาให้ตีมันเอ า, าให้เคียงมันตีในที่นี้คือตีกรอบให้อยู่ในธํานองครองธรรมไม่ใช่ตามใจมันทุกเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าเป็นลงโทษแบบตีเคีย่ยมตีมันนะนะ ไม่ตาทำคําจุนโลกแต่เราต้องไม่ไม่ตามใจมันทุกเรื่องต้องตีกรอบให้เขาอยู่ในทํานองของธรรมที่มันควรจะเป็นรับวัวให้ผูกตอนนี้ผูกกันไห่ไ ม, ไม่ที่เราผูกบัวเนี่ยไม่ใช่เราเราขังมันนะพวกวัวมันไม่รู้เรื่องมันก็ไปของมันอะ่ะบางทีไปตกเหวตกบ่อไปบุกรุกที่เขาเขายิงเขาเขาฆ่าเอาถ้ารับบัวพุ่งไปเราต้องถูกตอนนี้มีหญ้า ก, ก็ผูกให้เขากิน เสร็จแล้วเราก็ย้ายเขาปูกแต่ตอนนี้เราไม่ผูกเราปล่อยไปเลยเราไม่รักบัวเรารักตัวเองเรารักเรามักง่ายทีนี้ภาษาบางทีเป็งออกมาแล้วเนี่ยเป่งมาพุทไม่ใช่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันพระเจ้าถึงเตือนว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำลาอย่าเพิ่งเชื่อคนที่เขาพูดเป็นอาจารย์เรา เพราบางทีท่านพูดมาร้อยเปอร์เซนตปัญญาเราไม่ถึงเราไปเข้าใจผิดไงเราก็ไปทําผิดฟังหูไว้หูอย่างองค์ุลิมาเนี่ยก็ถูกครูบาอาจารย์เนหลอกให้ไปฆ่าคนหนึ่งพันคนเห็นไหมเพราะครูบาอาจารย์บางทีท่านเผลอถูกเขาใส่ร้ายป้า้สีแล้วเนี่ยเออไปใส่ร้ายองคุลิมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะขับออกไปสํา น, นักบังเินองค์ุลิมาเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์มากสัทางในครูบาอาจารย์มาก พอคุริบาลสั่งคุริบาจางสั่ ง, ง, งไปฆ่ามาถึงหนึ่งพันคนจะสอนวิชาพิเศษพอองคุริบาลมีนคนเรียนเก่งมากบังเอิญเพื่อนร่วมห้องนั้นอิจฉาก็ไปใส่ร้ายใต้สีแล้วองคุริบาลออกไปทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เลยนะฆ่าฆ่าฆ่าแล้วกลัวจะลืมก็ตัดนิ้วมาแขวนคอไว้นับไปนับมาได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเหลืออีกนึ่งคนนี่ยจะไปปวดแม่ตัวเอง เพราะองคุริมานเขาเ้าใจผิดคูย่าอาจารย์สั่งหนึ่งมันต้องมีนัยยะของมันก็คิดว่าอุ้ยฆ่าคนให้มันหมดเวรหมดกรรมเร็วๆจะไปโปดพระมารดาของตัวเองระหว่างเดินทางไปแม่ก็ได้ยินข่าวทางการออกหมายจับตายองคุริมานแม่ก็เดินมาจะมาช่วยลูกลูกก็เดินไปจะไปช่วยแม่ให้หมดเวรหมดกรรมเร็วๆบางครับ้บลเมีองคุริมานสร้างมาเยอะมาก พุทธองค์เห็นวาลาจิตก็ไปเดินขวางไว้พระองเดินช้าๆเป็นปกติองคุลุมานวิ่งแค่ไหนก็วิ่งไม่ทันก็บอกหยุดหยุดหยุ ด, ด, ด, ด, ด, ดพุองค์บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองค์คุรุมานบอกว่าหยุดได้ยังไงท่านยังเดินอยู่พระพุทธองอว่าเราหยุดทําความชั่วแล้วแต่ท่านยังทําอยู่คํานี้คําเดียวองค์ุลุมานตื่นขึ้นมาดวงตาเห็นทำวางดาบวางอะไร พระพุทธเจ้าบวชให้มหาชนแต่ยุคนี้ไม่คนทีประวัติไม่ดีไม่ให้บวชเพราครูว่าศาสนาพุทธเปิดโอกาสให้ทุกคนเราสามารถเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีได้มันได้มีสมมากที่สุดไม่ใช่เลือกแต่คนดีๆคนดีๆไม่ต้องมาบวชอะเนาะคนดีๆไม่ต้องมาบวชนะไม่ต้องเลือว่าเราไม่ดีทำไมนั่งอยู่ทีนี้ไม่ดี ไม่ดีเลยที่มาบวชไงเพราะมันยังทุกข์อยู่มันไม่ดีไม่ใช่เราชั่วร้ายนะแต่มันไม่ดีไงเพราะยังยังทุกข์อยู่เห็นไหมเราพูดถึงตรงนี้ <c oughs> ก็มีพระเซนเนะนะในวันนั้นทะเลาะกันเพราะอิจฉากันแบบองค์ุณิมาเนี่ยแหละใส่ไล้ป้ายสีฟ้องแตบครูบาอาจารย์ฟ้องแล้วฟ้องเล่าวันนั้นอาจารย์ท่านก็บอกว่าบอกบุคคลกอนนั้นมันชั่วมากมันอย่างนี้ อาจารย์บอกว่าไอ้คนนั้นมันชั่วมันต้องอยู่ต่อไปคนดีๆออกไปซะดีแล้วไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็เราวม่ดีไงเราต้องจะทําให้เราดีใช่ไหมก่อนจะไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยเราต้องดูตัวเองเนี่ยเราอาจจะดีเก้าสบเก้าเปรเซ็นะแต่ยังชั่วอยู่หนึ่งนะแสดงว่าเรายังไม่ดีเต็มร้อยเราต้องทําให้เราดีดีไม่ดีวัดจากตรงไหน เห็นไหมว่าจากตรงไหนบางอย่างเคนไทยบอกว่าดีฝรั่งบอกไม่ดีบางอย่างฝรั่งบอกดีคนไทยบอกไม่ดีพวกครูเคยมีร้านอาหารที่อเมริกามีตายายคู่หนึ่งฝรั่งนี่เขาโรแมนติกมากนะอายุมากแล้วเขาทางานจนถึงสุขคือมันสุขก็มาดินเลอ่อกันเขามานั่งจีบกันนทุกกว่าทิตย์นะจีบกันทุกกว่าทิศให้มันสดไง พอหน้าหน้าร้านเขาเขาก็ยืนกอดจูบ ก, กันเลยคนไทยบอกไม่ดีไ ม, ม่มารยาทเ้าทั้ง ม, มีอะไรไม่ดีเลยฉันรักกันฉันไม่ได้เกลียดกันเช่นหน่อยหนึ่ง <c oughs> เห็นมไหมละ่ะเ <c oughs> ขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยไม่มีวินัยจะทิ้งอะไรก็ทิ้งทิ้งคว้างๆเลยเขาบอกว่าไม่ดีเห็นไหม <c oughs> อยากบอกว่ากันก็ไม่กล้าพูดเพราะอายเห็นไหม พวกหลังบอกว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องโกหกกันมันบอกว่าเราไม่ดีเราอะไรมาวัดจริงๆแล้วถ้ า, าศาสนาเนี่ยพูดชัดเจนเลยดีไม่ดีวัดกันว่าเธอพ้นทุกข์หรือยังถ้าเธอยังมีทุกมีทุกอยู่ไม่ดีถามตัวเองนะเราดีหรื อ, อยังถ้าไม่รีบทำให้ดีนะอีกหลายชาตินะเห็นไหมแต่ตอนนี้ดีชั่วเราไปเอาเอาเอา เอาอะไเอาสมุกบรญจัดทางสังคมเอาค่านิยมมาเป็นตัววัดเห็นไหมโดยเฉพาะตอนนี้เราบริหารโดยนิติรัฐนิติธรรมถ้านิติและวิติรัฐนิติก็คือนิติศาสตร์ก็คือมีกฎหมายเนะี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะเป็นข้อตกลงกันเป็นกฎหมายเหตุเราอยู่ร่วมกันมันเป็นกติกาแต่ถ้ามันไม่มีนิติธรรมด้วยนะทุกคนก็ลอกช่องหาช่องว่างของกฎหมายเอาเปรียบกันเห็นไหม เขียนกฎหมายดีแค่ไหนก็ช่างช่องเล็กแค่ไหนมันก็มุดได้มันใช้วิชาสิงคโปร์รอช่องถ้าในทางศาสนามันก็เลี่ยนบาลีขณะเราเลียนบาลีเี่ยบาลีมัละเอียดนะขนาดมันละเอียดขนาดมันก็เลียนบาลีถ้าคนไม่มีคุณธรรมนะคุณจะเขียนให้มันละเอียดแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคนมีคุณธรรมแล้วไม่ต้องเขียนแม้แต่พ่อหนึ่งก็ไม่ทะเลาะกันนั่นแหละ ชาวเขาเขาถือผีถืสางเขากลัวผิดผีเขาก็ไม่ทําชั่วเขาก็อยู่อย่างสันติเสรีเห็นไหมทั้งหมดทั้งปวงสังคมที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะคนไม่ได้รับการศึกษาแต่เป็นเพราะคนได้รับการศึกษาที่ผิดยิ่งเรียนยิ่งเห็นแก่ตัวจเจ้าเปรียบคนอื่น นะโดยเฉพาะเรากำลังจะกาจัดคอร์รัปชันเพราะกูเห็นด้วยมันเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งถ้าอยู่อเมริกานะถ้าเราผิดเลื่อนภาษีคอร์รัปชันนะหน้าเตะล่ะเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเราทำลายชาติทีนี้ถามว่าคนไม่มีความรู้ในคอร์รัปชันเป็นไหมมันทำให้เป็นหรอกมันวางแผนไม่เป็นอย่างคนไม่มีความรู้มันอยากได้มันก็ขโมยเอาเลยป้นเอาเลยไ อันพิสูจน์ยังไงไม่ใช่เป็นคนเป็นเพราะคนไม่ <c oughs> <คน S 2> มีคว <c oughs> ามร Fore ู้นะคนมีความรู้เท่านั้นแหละเออเราอยากเป็นประชาชนก็ดีถ้าเรารู้จักประชาชยเราเป็นจริงๆเนี่ยตอนนี้เป็นแค่รูปแบบนะคนจนถูกด่าเสมอทุกอย่างก็เทให้คนจนไม่มีความรู้เนื่องจากไม่ได้รับการศึกษาขายสิทธ์ขายเสียงถามว่าใครมาซื้อมีแต่ด็อกเตอร์ทั้งนั้นมาซื้อถ้าไม่มีคนซื้อมันจะมีคนขายหรือเปล่า เห็นไถ้าเราแก้ไม่ตรงจุดนี่มันก็เหมือนเก่าพายเรือในอ่างนะอันนี้ก็เราทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงการที่เอาความจริงมาสนทนากรนมคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาฮิมาลไยเท่านั้นบางทีพวกครูลืมพูดคำว่าเท่านั้นมีคนด่าเข้ามานะ เขาถามว่าอินเดียพวกเขาเหิมาลัยไม่ใช่ธรรมชาติหรือพ่อครูบอกธรรมะคือธรรมชาติเขาแยงพ่อครูก็ ข, ขอบคุณพวกครูมาจากอเมริกาใหม่ๆก็ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าเด็กสองคนมันเกิดมาพร้อมกันทําไมคนหนึงไอคิวสูงคนหนึ่งในคนนึงไอคิวต่ําช่ไหมทำไมคนหนึงงนนงนน่งสมบูรณ์คนหนึ่งไม่สมบูรณ์เขาบอกว่าเดียงเดยมันไม่เหมือนกัน มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกับคนละแม่พู้ครูก็เกิดปัญญาขึ้นมาตอนนี้เรายกตัวอย่างว่าเด็กฝาแฝดคู่หนึ่งมาออกมาพร้อมกัน DNA เหมือนกันเลยทําไมอันนี้ขี้แย่นี้ไม่ขี้แย่ใช่ไหมก็เตือนมาเถอะผู้ครูไม่ได้ดบื่อหลันนะขอบคุณ <c oughs> คือถ้าพยายามจับผิดกันเรื่องอะไรตัวเราหนังสืออะไนี้มันผิดกันหมดแหละเต็นเลมาไม่ได้เลยนะ <c oughs> ย่าที่ทำขอร้องผู้ครูเขียนหนังสือสามชั่วโมงบรรลุธรรมนี่นะ เขียนปุ๊พบพ่อครูก็อ้างยิงครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้องค์นั้นองค์นี้แล้วเด็กหาว่าพกก่อครูไปเรียนแบบเขาแล้วก็พูดถึงเรื่องนิคสิตนะอย่างทุกอย่างว่าตอนนี้มีเครื่องดื่มอย่างหนึ่งเอาไม่เป็นไรเออชื่อเลยก็ได้ป๊อปซี่ดีที่สุดเราใช้คําว่าซูนพาราข่อยดีที่สุดไม่ได้นะมันนิคสิตแล้วตอนนี้มันเอาภาษาซึ่งไม่ใช่โคตรเง่าเขาตั้งขึ้นมาเนี่เป็นของเขาคนเดียวเนี่ยนะ ต่อไปนี้นี่เป็นวาจามัไม่ได้เลยนะเขียนหนังสือไม่ได้เลยนะมันวิคติสิทหมดแล้วถ้าผู้ถึงก็ปี่นะมีใครไม่ก็ปี่มุติเจ้าบ้างพ่อครูไม่มีใช้วัตถินิกายไม่ใช่ว่า น, นี้ธรรมะของพวอครูอะไรไม่มีครูบาอาจารย์ลูกไหนคนไหนที่ท่านเป็นออกมามันมีประโยชน์ต่อมวลมุติเสยชาติเนี่ยพวอครูอัญเชิญมาใช้ทั้งหมดเละเพื่อทุกคนได้ประโยชน์ อันนี้มันไม่ได้เป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้มันยิ่งขัดกันไปหมดเลยต่อไปเขียนหนังสือไม่ได้นะพผมมันาภาษาริขสิทธิ์หมดเนี่ยคนเรามันเกิดวิตกบจริตไม่ติดความรู้ไงมันเป็นแค่ความรู้ไม่ใช่ปัญญามันรู้ครึ่งเดียวมันไม่รู้รอบถ้าเรารู้รอบเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเราจะไม่สร้างกรรมเด็ดขาดนะบางครั้งพ่อครูเมื่อแบ่งปันใช้ภาษามนุษย์เนี่ย มาถ่ายทอดเท่าที่จําเป็นเพราะสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรูน้นั้นคือความจรงิงความจริงนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้พูดปุ๊บมันหยาบเลยจะเป็นภาษาบาลีเศรษกิจหรอินเดียโบราณก็ช่างพวกอนี้บอกเรียนศึกษาทํา้องเรียนภาษาบาลีอะไรก็จบมาด้วยกันทําไมคนหนึ่งแปลมิพานว่าอัตตาคนนึงแปลว่าอนัตตาละ่ะก็คาเดียวกันเห็นไหมผู้เจ้าที่บอกว่าอยา่าเพิ่งเชื่อตําลาแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธ รู้แล้วไม่ใช่ความรู้เศร้าสักหน่อยหนึ่งแค่ไปจำเข้ามาเมื่อกี้บอกฉันรู้แล้วยังไม่สังฆะเลยยังไม่เอามาพิสูจน์เลยว่ามันจริงหรือเปล่าบอกรู้แล้วกลายเป็นคนรู้มากไม่ใช่รู้จิตก็เอาความรู้ตัวเองที่ไปท่องจาเรียนแบบเข้ามาเนี่ยมานั่งถกกันมานั่งเถียงกันว่ามันแปลว่าอะไรมันไม่เกี่ยวกับ ก, นะการพ้นทุกข์สน่ยนะการพ้นทุกข์เนี่ย ปฏิบัติปฏิบัตินะปฏิบัติเรียนปฏิบัติก่อนเห็นไหมถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่ถ้าถามอย่างนี้กค็ครูไม่อยากจะเพราะครูใช้ว่าพระูอ่านให้ฟังไม่ใช่ความรู้ของพ่อครูมันเป็นวิชาการทางศาสนาอ่ารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยไปหลงมันไปยึดมั่นถือมันว่าฉันเป็นผู้รู้เน่ะ อตาเยอะมากพวกความรู้นี่ไม่ใช่ของเราพวกกูไม่เคยจำหรอกแต่ถ้าจําเป็นต้องเอาบอกกล่วใครถามมาเนี่ยพวกกูว่าทำการบ้านแล้วก็มาบอกเราตรงๆพวกกูไม่ต้องแปลแต่หลังจากพูดแล้วเนี่ยฟังหูไว้หูนะบางทีภาษาที่เขาแปลเนี่ยขเขาแปลออกมาเนี่ยแม้กระทั่งบาลีตรงๆเลยยังไม่ต้องแปลเลยบางทีฟังยังไม่เข้าใจเหมือนกันผู้เช่าที่บอกอยากเป็นเชื่อตาํารานี่แหละพระองค์ยิ่งใหญ่มาก พูดเมื่อสองพันกว่าปีแล้วยังไม่ล้าสมัยพวงตัวไม่หมดเลยล็อกไม่หมดเลยเพื่อไม่ให้เราหลงทางแต่ตอนนี้พอเราไปอ่านจุดนี้ปุ๊บเราก็ยึดมันถึงมันมาเรารู้แล้วแล้วก็ความรู้ที่เราไปจำมาเนี่ยมาแสดงความรู้เราก็ไปขัดแยง้งคนอื่นเขาไปอ่านหนังสืออีกเร่มหนึ่งก็เข้าใจคนละเรื่องเห็นไหมเมื่อเกิดตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะั้นเกิดขึ้นแล้วในสังคมบ้านเรา ถ้าเราต้องการทำตามพระเจ้าจริงๆเนี่ยต้องทำให้เรารู้รอบรู้รอบไม่ใช่ไปรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตอนนี้มีอีกแล้วเนาะมาอีกแล้วเนาะมีคนเตือนสติพวกคูเพราะไอ้โซเชียลมีเดียมันอิสลามากเขาบอกว่าพวกคูเป็นเปรต หนวดยาวเ <c oughs> จ้าอ่านให้พรักูฟังนะจิตพรักูก็ยิ้มบอกเอามาอีกแล้วต่วเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกได้ยังไงผู้เจ้ากว่าจะบรรลุธรรมในกี่อาสงไข่อันนี้ววนอดุตระีสามชั่วโมงบรรลุธรรมเขาพูดเหมือนมีเหตุผลนะเหมือนมีเหตุผลเหมือนเฉยๆนะแต่ไม่ใช่เหตุผลตอนนี้เหมือนมีเหตุผลไง เอาแค่อ่านพุทธประวัติแล้วก็มาฟังที่พวกครูเป่องออกไปแล้วก็มาจัดถูกจับผิดกันแบบนี้เนี่ยสังคมมันถึงทะลากันหมดไงญาติธรรมขอร้องพระครูว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ทีนี้ถ้าเราจะรีวาย e ไปพูดถึงหลายอสงไขที่พวอครูผ่านมาเนี่ยไม่ต้องเขียนหนังสือกี่เล่ม เราก็เล่าสามชั่วโมงสุดท้ายที่มันเปลี่ยนชีวิตพวกครูจริงๆแล้วไม่ใช่สามชั่วโมงนะวินาทีสุดท้ายที่มันพลิกจิตนั่นแหละแต่และเล่าเหตุการณ์ว่าสามชั่วโมงสุดท้ายมันเป็นยังไงทีนี้พอเขามีอคติพุทธิเขาก็จับถูกจับผิดว่ายังไงรู้ไหมันรูุ้ธรรมได้ยังไงปีหนึ่งอยู่บ้านเจ๊เฉยว่าขาใช้คําว่าพูดคําหยาบมากว่า ม, มีอะไรกับภรรยายก็ออกรูกปมาอีกคนหนึ่ง พ่อครูพูดเองนี่นาทีนั้นพระครูอายุสี่สิบพอมันเกิอดอาการเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นน้องขี่ลูกสาวคนโตขวบหนึ่งพ่อครูไม่อ้างว่าลูกยังเล็กอยู่แล้วก็ลูกสิบคนแรกก็คือแม่น้องขี่พรอครูสามชมั่วโมงนั้นพรอครูเห็นขั้นตอนการทํางานของมันแต่พ่อครูไม่รู้ไม่รู้กชื่อว่ามันเรียกว่าอะไรอะไรคือยานะภายนในยานะภายในอกญญไม่รู้โชคดีมากที่ไม่รู้ ก็เอามาสอนแม่น้องขี่เขานั่งเขานั่งไปวันที่สอง น, นั่งอาเจียนอาเจียนอันนั้นค้างแน่ในชีวิตที่พกูเห็นก็เหมือนคนแพ้ทองไงก็ไปให้หมอเขาดูปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกตั้งท้องเดือนหนึ่งพกูที่บอกว่าถ้าน้องบอลมาช้ายอยีกเดือนหนึงไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็รออยู่บ้านปีหนึ่งเขาเขาครบขเสร็จปุ๊บแล้วก็ครบหกเดือนแล้วเนี่ยเราก็อุ้มเด็กสองคนนี้จากเมือง น, นอกมาอยู่บ้านนอก แต่เพราถ้าคนนี้เขามีอคติปุ๊บเนี่ยเขาจะถูกอคติเขาเนี่ยตั้นบังทําให้เขาสร้างวัีถิกับอย่างรุนแรงถามว่าตัวเองอ่านแล้วมันเสียอะไรเสียเงินไหมเสียความรู้สึกกทนันเองเนี่ยโซเชียลมีเดียทุกวันนี้อันตรายมากแต่สําหรับพ่อครูแล้วบอกแล้วว่าไม่ต้องให้อภัยเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเป็นไปตามกรรม เห็นไ้มคือคือยุคนี้เนี่ยเราเกิดวิตกจริตตัวช้ากว่าคนอื่นได้ข่าวสารปุบส่งต่อส่งต่อส่งต่อโดยไม่ผ่านการสังเคราะห์หรือว่ามาพิจารณาอะไรนี่อันตรายมากมันถึงขัดแย้งกันไปทั้งโลกตอนนี้สื่อเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะบ้านเราเมืองไทยเราหรืออะไรมันปุ๊บเดียวออกไปทั่วโลกเลยนะ เราสร้างกรรมหนักนะแค่เราอานุคิดปุดมโนกรรมไม่เป็นไรไม่ได้สร้างกรรมออกมาคนอื่นยังไม่รู้แต่เราหลอกจิตเราไม่ได้พูดเฉยเฉยวิจกรรมไอ้ น, นี่เขียนลงไปในโซเชียลมีเดียนี่เป็นกายกรรมเลยนะและเป็นหลักฐานผูกมัดเลยกี่วันกี่วันก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะนะฆ่าตัวเองไม่รู้ตัวนะ และยุคนี้เป็นยังไงแปลกมากนะคนโบราณเขาบอกว่าอย่าชักสึกเข้าบ้านอย่าว่าเรื่องรอกบ้านมาพูดในบ้านอย่าว่าเรื่องในบ้านไปพูดข้างนอกตอนนี้กินอะไรก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูว่าฉันกินอะไรถ่ายไม่ออกก็บอกเขาบอกชัก้นถ่ายไม่ออกชั้นเหนา่มากชั้นเนื่อยนะนี่แล้วมันเกิด อ, อะไรขึ้นม น, นุษย์เราคนนี้ทำไมมันอ่อ น, นแอขนาดนี้บอเขาหมดเลยบอเขาหมดเลย กินไม่ได้นอนไม่หลับก็บอกเขา <c ười> คุณโบราณก็บอก้ว่าเราไปรบสึกเนี่ยถ้ารู้เขา็รู้เราชนะทุกครั้งอันนี้เราไม่รู้เขาหรอกเราให้เขารู้เราหมดเลยบอกมันหมดเลย <c ười> แล้วยังไงล่ะความเจริญแบบนี้เหรอเรียนรู้เยอะๆทำไมโก่จัง ความจริงบางอย่างเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้เราไม่ต้องโกหกเพาครูรับขึ้นบนนี้นะเมื่อหลายเดือนก่อนถึงเป่งออกมาเนี่ยคุณเล็ดลอดจบเลยเพราะครูเกิดมามอดีนอย่างยิย่แอบดิ้า ฟ, ฟังหน่อยเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดเพราะครูบอกคนที่ขยันพูดความจริงทุกๆเรื่องนะ่ะเลวร้ายยิ่งกว่าคนพูดโกหกในบางครั้งเพื่อให้อันนี้ขยันพูดความจริงหมดเลย ตับไตใส้พุงมีเผยบอกขโมงบนเลยเขาก็รู้จุดอ่อนเราสิความจริงบางอย่างไม่ต้องพูดไม่ต้องโกหกแต่ก็ไม่ต้องพูดอันนี้พูดทุกเรื่องจนบางครั้งไม่จริงก็พูดไปเรื่อยพูดให้มันสะใจแล้วทาไมพูดโกหกในบางครั้งเพื่อให้มันมีประโยชน์อะไรในพวกเราเกิดกเราทุกคนละ่ะชีวิตนี้เคยไหมพูดสนิทกันเลย ดีกันมากเรียนมันสือมาด้วยกันหมดวันดีคืนดีเราเห็นแฟนของเพื่อนน่ะมันไปควงแฟนใหม่แล้วก็ความจริงนี้ไปบอกเพื่อนบอกให้มันทะเลาะกันชอบมากชอบมากเห็นไม้มเราสร้างวิตกรรมโดยเราไม่รู้ตัวบางคนเห็นพวกครูเนี่ยผักเด็กคนนึงล้มลงไปเห็นหมดเลยนะเห็นหมดเลยตำรวจมาชี้เลยมีคนนี้ผัก เด็กมันก็บอกว่านี่แหะคนนี้ผัดชัดเจนเลยเอาพวกคูไปขังในพวกคูทุกไหมเรื่องไะไรจะทุกเราทําความดีทาความดียังไงงูมันจะกัดเด็กคนนั้นเน่ยไม่มีใครเห็นเลยพวกคูผักมันงูมันกัดไม่ทันบางครั้งเราอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากเกินไปถ้าเราไปสร้างกรรมกับจิต ท, ที่เขาบริสุทธิ์นั่นเหมือนเราเฟี้ยงดุมมะแลนด์ไปขึ้นไปบนอากาศเนี่ยมันจะย้อนกลับมาถึงเรา บางทีนิ่งเฉยตำลึงทองก็คืออุดเบกขาบ้างโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเป็นผู้หวังดีประสงค์ลายและที่สำคัญที่สุดเราไปแย่งงานโยมพบาลเนี่ยโยมพบาลโกรธมากเพอเอตกนรกลงไปเนี่ยสมมติว่าคดีความที่เราทำเนี่ยตัดสินห้าสิบชาติมไม่ต้องเกิดแต่เนื่องจากว่าแย่งงานโยมพบาลรม โยบบาลก็บวกไปอีกห้าสิบชาติเป็นร้อยชาติแล้วเราไปด่าคนคนโบราณเนี่ยเขาด่าในระยะเขาเตือนสตินะเพราะเขารักกัน่ะอุเกียบมึงจังเลยขอให้มึงอ่ะมึงอย่า ม, มีวันผุดวันเกิดเลยนะเหมือนเราอนุโมทนาสาธุให้เขาไปสู่นิพพานนะ <c oughs> ไม่ใช่มึงตกนรกนะตกนรกเป็นเปิดอสุรกายเนี่ยไม่ใช่ไม่เกิดนะเกิดอีกหลายชาติแต่มันช้าหน่อยนึ่ใช่ไหม ม่ผ่านเท่านั้นถึงจะไม่มีวันผุดวันเกิดก็แนวนี้นะผู้มาใหม่ก็มีนะวันนี้พอกูเตือนสติถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยเราจะเป็นคนเพีย้ยนเราจะเพี้ยนในสายตาเพื่อนฝูงเคยไปกินเหล้าเมายาเคยเที่ยวเปรยเคยทาอะไรทุกเราจะไม่ทำเนี่ยเพื่อนฝูงบอกว่าไอ้นี่มันเพี้ยนแล้วถ้าเรายังไม่พร้อมเป็นคนเพีย้ยนนี่อย่าปฏิบัติยังไม่สายนะ ถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี่เราจะปฏิบัติทำไมล่ะก็มันลดลาเลิกได้แล้วไงแต่สังคมบอกเราเพียงพวกครูล่ะคนหนึ่งโดนว่าเพื่อนฝูงรูบมองที่ในในเมืองไทยเนี่ยให้กลับมาลูกพี่เพียงหมดสมัยก่อนเจอกันปุ๊บแก้วหนึ่งชนแก้วลินเล่าให้กันตอนนี้มาสอนธรรมะ ม, มันบอกเราเพียน วิชาแรกคือเราจะเพียนวิชาที่สองเราจะเป็นคนสิ้นคิดยี่สิบห้าปีพ่อครูนี่ไม่เคยคิดเลยจริงๆแล้วเราถูกทางโลกสอนว่าต้องคิดเก่งๆถึงจะเป็นคนเก่งคิดจนเป็นไมเกรนคิดจนเป็นมะเร็งคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็น ตอนนั้นคิดเก่งสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกเนี่ยรางวัลชีวิตคือเป็นไมเกรนความเพีย่ลงกระเพาะแล้วคุณจะหาเงินมาทำไมหาเงินมาทรมานเพราะมันระเบิดตุ้มยี่สิบหปีนี้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดแม้แต่เม็ดหนึ่งเพราะมันสิ้นคิดมันไม่มีอนาคตแล้วมันไม่ต้องคิดที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตเราคิดวางแผนตลอดกินข้าวก็คิดตื่นนอนก็คิดแป่งฟันก็คิด กลัวมันจะมันจะไม่ได้กลัวมันจะไม่ชนะนโมกรรมเพนั้นเลยแต่ทางโลกสอนต้องคิดเก่งๆที่จริงๆเขาไม่สอนให้เราคิดเป็นเขาสอนให้เราคิดเก่งถ้าคนคิดเป็นจริงๆเนี่ยไปคิดให้ตัวเองทุกข์ทำไมให้ตัวเองคิดสับสนคิดกังวลคิดทวนใจคิดฟุ้งซ่านคิดแล้วก็กลัวความกลัวทํำให้เราเสื่อมนะล้วฝึกไปฝึกมาเนี่ย ถ้ายังไม่ถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะคิดน้อยลงไม่ใช่เราไม่คิดแต่คิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตัวเองและผู้อื่นเราก็จะเป็นคนสิ้นคิดในวิชาที่สองน่ากลัวมากนะแล้ววิชาที่สามเนี่ยเราจะเป็นคนไม่มีอนาคตอันนี้น่ากลัวยิ่งกว่าทุกวันนี้เราต่อสู้เรากัดฟันสู้ทนเลี้ยงเก่งๆหาเงินเยอะๆ ออนาคตจะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วบอกว่าปฏิบัติแล้วไม่มีอนาคตนี่น่ากลัวไหมน่ากลัวนาคุณพ่อคุณแม่ท่านหนึง่งพาลูกสาวหน่ารักน่ารกักมาหลายครั้นะพ่อกลัวกลูกไม่อยู่กับพ่อคุูไม่มาเรียนบอกมาแต่คุณพ่อมองนอนหน้ากันคุณพ่อคุณแม่นี่ห่วงอนาคตลูกมากแต่ไม่เคยห่วงชีวิตลูกเลยพี่ตัว เ, เองนะจริงไหมเราเครียดไม่พอแล้วเรากลัวลูกเราจะไม่เครียดเหมือนเรา สร้างตึงขึ้นมาสิชั้นเหนื่อยมากกำลังโยงไปนอนให้ข้างๆมันมีร้อยชั้นนอนไม่ได้ละเดี๋ยวสู้มันไม่ได้สร้างขึ้นมาอีกกัดฟันสู้ทนจนถึงเก้าสิบเก้าชั้นเขาบอกบทแรงเขาตุม่มมันไม่ไหวจริงๆแต่ใจมันยังสู้อยู่แค่อีกชั้นเดียวไม่งั้นนอนตายตามไม่หลับเรี้ยมเรียกเลีกยมเรียกหลานมาสร้างต่อกว่ามันไม่ทุกข์เหมือนเราถ้าไปสร้างไปถึงชั้นสิบนะ วันไหนเราขาดสติตกลงมาก็ยังตายนะ10คธิ์ทนนี้ก็สูงแล้วพวกครูหลังจากเปลี่ยนชีวิตปุ๊บพวกครูมาอยู่ชั้นล่างชั้นใต้สุดเดินไปขาดสติขัดขาตัวเองลงเพ่แค่หัวเข่าแตกมันไม่ตายและที่สำคัญคือเรามีเก้าชั้นเนี่ยเป็นส่วนเกินให้คนอื่นมาอยู่ด้วยนี่คือเศรษฐีตัวจริงแต่สร้างถึงเก้าสิบเก้าชั้นยังไม่หยุดยังจนอยู่ จนแต่ว่าไม่มีหรือมียังไม่พอรวยแต่ว่ามีเหลือเล้นพอแล้วคุณเบีเกตก็ยังจนอยู่เพราะยังไม่พอยังไม่เสร็จสําเร็จแต่ว่าเสร็จแล้วถ้าไม่หยุดตายก่อนสําเร็จเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเกมรวยกันเราเกิดมาเพื่อเดินทางไปสู่การพ้นทุกนี่คือเป้าหมายของการเกิดแต่ตอนนี้เราไม่เคยเรียนรู้เรื่องชีวิตเกิดมาก็ถูกสอนเล่นเก่งๆหาเงินเยอะๆมเมื่อรวยแล้วจะจะมั่นคง บางทีพวกคุเอ่ยชื่อคนสําคัญโลกเนี่ยมันเป็นบุคลาธิฐานพวกคุณไม่มีเจตนาล้ายเลยพวกคุณโชวนี่เขาเป็นครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่โชว์อตอนี้ยุคนี้เราพูดคําว่าคุณบิเกตหรือท่านบิเกตก็ได้มิสเตอร์บิลเกตทุกคนเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมว่าเป็นมหาเศรษฐีโลกอันดับหนึ่งถ้าพวกคุยกตัวอย่างองค์คุริบาลทุกคนรู้เลยใช่ไหมว่าคนที่ฆ่าคนเนี่ยเอานิวมาแขวนคอไว้ เห็นไหมเป็นบุคลาที่ฐานเพื่ออันเชิญมาเพื่อเป็นให้เราเข้าใจง่ายคนยุคนี้บางทีต้องใช้บุคลาที่ฐานเพื่อเราเห็นเป็นชัดเจนไม่ต้องอธิบายถ้าแสดงคำมาที่ฐานเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาไม่รู้พูดอะไรไม่รู้พูดอะไรบางครั้งพรอครูต้องใช้บ้างแต่ไม่มีเจตนาร้ายกับใครไม่แต่หนึ่คนเพราะจิตมันไม่โง่ที่จะไปสร้างกรรม เขาอัดเทไ็ไวม่สร้างกันยังไงคือว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยม่ไดดาเขาสะหน่อยหนึ่งเห็นเจตนาพระครูไหมกรรมชี้เจตนาจิตมันไม่ง้อที่จะไปสร้างกรรมเนาะเป็นวาจาทุกอย่างเพื่อให้เพื่อให้เราวทุกเราได้ฟังภาษาง่ายๆแล้วก็ได้ปัญญากลับบ้านแต่ตอนนี้สังคมไทยเราชอบอะไรรู้ไหมพอต้นกล้วยมันออกมาแปลกๆหน่อยก็ไปจุดธูปไหว้ธูป จุทูกจุดเ ท, ท, ท, ท, ทียนไปขอหวยขอเบอิกเราชอบเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์ถามพระคุณว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์มีจริงไหมมีแน่นอนผู้เจ้าก็าตัดไว้พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธพระโมคคัลล า, านะเหาะได้นะขอาะขึ้นไปยอดไม้ตามเศรษฐีเลยไม่นั้นเศรษฐีไม่ศรัทธามาลบหลูพ่พระพุทธเจ้าผู้เจ้าบอกอย่าชาย อุบายใดก็ช่างที่มันมินเม่ต่อการเข้าใจผิดเดี๋ยวคนจะคิดว่าการมาด้วยธทําเลยต้องไปฝึกวิทยายุทธพวกนี้ต้องมีอินทรีย์ปฏิหารก่อนอย่างงี้มันตายก่อนแต่เพราะทำไมพระมคคลานะมีมันเป็นบารมีเก่าท่านภาษาริบุตรทำไมมีปัญญาก็เป็นบารมีเก่าท่านเฉลี่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไปใช้อุบายอะไรที่มันมินเม่ต่อการเข้าใจผิดแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าจะผลทุกต้องเป็นเรียนวิชานั้นก่อนพระพุทธเจ้าไม่นสนับสมุน แต่พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธว่าอิทธิปาฏิหาริย์นไม่มีพระองค์ยังเคยแสดงนะพรามีคนแย้มว่าพระองค์บอกให้ผู้คนอื่นไม่แสดงพระองค์แสดงทําไมเพระพระองค์เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทําพระองค์ไม่หลงพระองค์ยกตัวอย่างว่าต่ามัม่งนี่พระองค์เป็นคนปลูกคนอื่นสมควรมาจะไปเด็ดไปกินไหมไม่สมควรนะบางทีคุณเด็ดไปขายเพื่อความมั่งคั่งคุณคุณบาปด้วยคุณผิดศีลไง แต่พระ อ, องค์เด็กพระ อ, องค์เด็กขึ้นมาเนี่ยพระ อ, องค์รู้ว่าใครควรจะเอาใครควรจะได้เพื่อที่จะมีประโยชน์เพราะปัญญามันไม่เท่ากันไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังเห็นไหมไอ้ น, นี่ก็อ้ น, นี้ยกตัวอย่างเป็นบุคลาธิฐานนะอย่าไปเรียนแบบกันเพราะทุกคนไม่เหมือนกันก็คือมันเป็นมาแล้วรอบแรอบนะคือแก้วเขาก็รายงานเขามีหน้าที่รายงานพระครูพระครูก็สักแต่ว่าได้ยิน ก็ให้พ่กูรู้ว่าขึ้นมนุย์ทุกวันนี้เนี่ยมันแรงแค่ไหนเอาแค่ไม่ถูกใจตัวเองเท่านั้นน่ะจะพูดอะไรจะทำร้ายใครก็ทำเลยอันตรายมากเห็นไหมที่พวกคูรู้ตัวอย่างว่าพวคูผลักเด็กคนนั้นล้มลงไปอะไรล่ะทุกคนเห็นเหมือนว่าเหมือนพวกคูไปรังแกเด็กคนนั้นมันมันอันตรายนะเพราะเราไม่ได้เห็นเจตนาเข้าไปข้างในเห็นไหมสิ่งที่พคูพูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจาก ความรู้สึกจริงที่มันเปลี่ยนชีวิตพอครูจริงๆพวกครูก็เป็นออกมาให้ฟังส่วนจะฟังได้แค่ไหนจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของนานาจิตตังไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันแต่ถ้ามาที่นี่แล้วพวกครูไม่ชี้ทางพวกครูไม่บอกประสบการณ์ก็ไม่รู้จะมาที่นี่ทำไมก็หาว่าอีกว่าพวครูไม่ทาหน้าที่ ยุ่เฉยๆก็ถูกว่าพูดก็ถูกว่าแต่ไม่เป็นไรพูดถูกว่าแต่มันมีประโยชน์ก็ยอมให้ว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่พูดเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันต้องตั้งมั่นศรัทธานะแต่อย่าศรัทธาแบบหลงงมงายก่อนจะศรัทธาต้องใช้สติปัญญา ตึกตองพิจารณาแต่เมื่อศรัทธาแล้วอย่าลังเลการลังเลสงสัย ก, ก, กล้ากลัวนั่นมันเป็นบ่วมเบืนจิตเราไว้แต่ไม่ต้องศรัทธาคนที่พูดเป็นอาจารย์เราเป็นครูบาอาจารย์เรานะศรัทธาในสิ่งที่เราทำศรัทธาในจิตที่เขาดำดำเนินถ้าทํากะล้า ก, กลัวแล้วเนี่ยมันไม่ไปไหนหอก มันก็เล่นชักเขยอย่าง น, นั้นแหละแล้วอุตส่ามีบุญแล้วชาตินี้มีโอกาสหลุดโผลอ้เรื่องโลกิยธรรมมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รีบใช้โอกาสนี้เนี่ยตั้งมั่นตอนพวกครูตอนเช้าเมือเนี่ยเราพิจารณามรณ า, านุสติบางคนร้องห้ใหญ่เลย พอเสร็จแล้วเขาครูถามว่าร้องไห้ทําไมบางคนบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะตายจริงๆลูกมันยังเล็กอยู่บางคนก็ร้องไห้อยู่บอกว่ายังไม่อยากตายเพราะยังไม่ถึงนิพพานก็ร้องไห้เหมือนกันแต่ในยะไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองอย่างมีทุกข์ไหยก็ทุกข์นี่ไงอย่าผัดวันประกันพรุ่ง มีเวลาวันหนึ่งมีเวลาวินาทีหนึ่งอย่าให้มันผ่านไปโดยเฉียดมีบางแห่งนะเขาสอนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าชาตินี้ปฏิบัติยากไม่ต้องปฏิบัติหรอกเอาบุญเยอะๆเอาเนซื้อบุญไว้ไปเกิดนู่นยุพระษีอานุนใช่ไหมไว้พระเจ้าไว้ทุกวันนะ แต่ไม่เอาจะไปปฏิบัติบุคคลสีอาพระครูไปแม่แไปเกิดแม่แ่อาจจะเป็นหนูเป็นหมาเป็นแมวคุณมั่นใจ ย, ยังไงคุณจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์จะได้บังเพลินเพียรต่ออย่าประมาทนะอย่าประมาทก็เหลือเวลานิดหนึ่งนะตํนานพระ ค, ค, คระคูคุยกับกุ๊ปไหนมาดูพระครูก็จําไม่ได้เนาะเนาะแต่เป็นคนพูดมากเะ พ่อเป็นคนไม่ขี้เหนียวนะเขาเอามาให้เลยแต่ยังพ่อครูจํานะพ่อครูจําไม่ได้จริงๆว่าเอ๊พูดหรื อ, อยังถ้าพูดแล้วพูดอีกเนี่ยก็ทนฟังกันแล้วกันบางคนฟังแล้วเดีย๋ยวเมื่อกี้นี่พ่อครูมาอา่านวิชาการเรื่องวา ร, รมีสิบบอกรู้แล้วรู้แล้วแต่ถามว่าแล้วทาได้แล้วหรื อ, อยังเนี่ยคนที่อยู่นี่นานๆบางทีไม่อยากฟังหรอก กูพูดกี่ปีก็เหมือนเก่าไอ้ที่พูดกเก่าๆนั้นทําได้แล้วหรือยังยังไม่ได้เลยพูดของใหม่ทาไมให้มนันเป็นขยะเอาแค่ที่พูดมาทําให้มันได้เถอะก็มันไม่ได้ไงถึงบอกอีกใหม่ตอกย้ำอีกเนี <c> ่ย <oughs> เราชอบสนุกสนานไปฟังเอหนังเังไม่ดูแล้วไม่อยากดูอีกเลยเบื่อต้องดูหนังเรื่องใหม่ที่เรื่อทั้งนั้นที่เรื่อทั้งนั้นเงน ฟังเก่าๆเนะี่ยแล้วทําได้หรื อ, อยังไอ้เก่ายังทําไม่ได้เลยยังไปเพิ่มปัญหาไอ้ตัวใหม่ๆอีกไงเนี่ยชอบมักง่ายสนองกิเลสมากคนแย้งมาครูนะก็พวกครูบอกจะช่วยพวกเราพ้นทุกข์ไงนี่มันทุกข์มากเลยเพราะมันอยากหรือมันไม่รู้นี่มันนอนไม่หลับเลยไงทำแล้วเหมือนใช่มันเหมือนที่เฉยนะแต่มันไม่ใช่ถ้ามันนอนไม่หลับจริงๆบกไปตายซะ ทุกู้ดีใจไหมวันนี้นอนหลับสบายเลยพรุ่งนี้เนี่ยถามมากกว่าเก่าอีกเม้่เราเอาอาหารที่กิเลสกินไงเราแก้ที่ปลายเหตุว่าเราไปเข้าใจว่าที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราอยากรู้เราไม่รู้เราจึงทุกข์ไงจริงแล้วที่เราทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราเราเราอยากรู้แล้วก็เรารู้แล้วเราไม่ทุกข์นะอันนั้นปลายเหตุเหมือนกินยาพลา ต้อบเดีที่เราทุกเพราะเราอยากรู้ต้องเี๋ยวอะตัวอยากรู้ทิ้งซะพอมานรู้เรื่องนี้ก็อยากรู้เรื่องอย่งนรู้เรื่องอย่นี้ีแล้วคุกพวกกูจะเอาพลังที่ไหนมานั่งตอบเราก็ <c oughs> าบอกเรียงทิงเอียงทิ้งเอียงทิ้ ง, ง, งมัไม่เอียงไงนมันสนุกดีวิ่งมาถามนิดนึงได้ไหมถามนิดนึงได้ไหมบอกไม่ได้ต้องมานั่งถามมันเยอะๆแล้วตอไปอย่าถามอีก อันนี้ถามมันละนิดมันลหน่อยว่าไม่งม่ไม่หยุดเลยถามนิดนึงถามนิดนึ่งมันลนิดมละหน่อยแล้วสุดท้ายไอตัวอยากลืมก็โตขึ้นทุกวันทุกวันต้นแก่ที่เต้นเหตุตัวอยากมันเกาะอยู่ที่ไหนก็ดับอยู่ที่นู่นเพราะเรามีอัตราข่ามันทิ้งซะข่าไอตัวที่มันอยากรู้ทิ้งซะไม่ใช่ไม่ใช่อยากรูลืะ ตัวที่มันอยากเลยก็คืออัตตาเราเนี่ยแหละเข้าไปสู่สุญญาตาว่างจากอัตตาตอนนั้นน่ะตัวเองต้องไม่เสียเวลาคิดไม่ต้องเสียเวลาถามพอถามแล้วก็เอามาคิดอีกใช่เหรอใช่เหรออันนั้น่ะกิเลสมันหลอกให้เสียเวลากับเรื่องไร้สาระอุ้เขียนไปก่อนแล้วเนี่ยนี้เนี่ยใครแซงคิวฉันทำไมผู้คุเยเลือกที่รักมัค่ฉันผู้คุยรู้นะแค่คิดยังไงพวกคุยก็รู้ละแอบ ขโมยฟังความคิดเราได้นะเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าสมัยหลวงพ่อชาท่านยังอยู่เนี่ยหลวงพ่อชาประกาศเลยว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกของพ่อครูพอครูเด็กๆพ่อครูไม่รู้เรื่องหรอกไปฟังทำไปแล้วบ้างอาจารย์เอ่ยชื่อได้เลยเพราะว่ท่านเป็นคนเขียนหนังสือออกมาเองพระอาจารย์ต่างชาติอาจารย์ชยสาโลตอนนี้ท่านไปทําวัดอยู่ที่ปักช่อง พอถึงคิวท่านนวดพระครูเอ๊ะนวดหลวงพ่อชาเมื่อกี้เรือไปมองเห็นคนที่น ว, ว น, วนะนวดพระครูมพน่ออะไรว่านวดพระครูระวังนะหลวงพ่อชาเนื้ไปด้วยกระดิ่งยิ้มย่ยอมด้วยโอ้ครูใจได้นวดครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาทีบเลยทียเดยน้อยใจ อาจารไม่ให้มาถีบเราทำไมบอกมึงไปใกลๆเลยท่านถีบเลยแล้วพอถึงเวลาครูท่านถามถามถามพอไปถึงอาจารย์ชายาสาหลทตุกข้ามไปตลอดน้อยใจอีกครูบาอาจารย์เลือกที่รักมักที่ชันน้อยใจอยู่สามปีแต่ท่านไม่หนีไปไหนเพราะท่านศรัทธาท่านก็ไป น, นั่งคิดสงสัยอยู่ครูบาอาจารย์เกลียดเราเรื่องอะไรหรืออะไรนะทาไมไม่รักเรา อมาถึงคิวเราไม่ถามถามคนอื่นเนี่ยนะแล้วสุดท้ายท่านก็ผ่านได้ครูบาอาจารย์ท่านเข้าไปในจิตเราได้ทุกคนท่านเข้าใจเราหมดเลยบางครั้งท่านถึงไม่ตามใจเรามีแตะกิเล่ทั้งนั้นมันไม่เหมือนกันไปคิดเอาเอืเลยที่รักมัธยชั้นถ้าครูบาอาจารย์ยังมีอคติแบบนี้เนะี่ยพวกเราจะเสียเวลาอยู่ที่นี่นะเสียเวลาชีวิต ไม่ใช่เรื่องทำเล่นชีวิตเขากว่าจะมาเป็นมนุษย์ๆๆทุกเ์ทิก์จะมีเวลามาปฏิบททัติธรรมแถวเนี้ยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมบางคนเขาถามแต่ละปัญหาเนี่ยถามปุ๊บเขาก็วางได้บางคนยิ่งถามก็ยิ่งเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นต้องหาให้ไปคิดเอาเองไปหาวิธีเองนั่นแหละเราจะเกิดปัญญาไม่มีเจตนาอะไรดังนั้นนะ คนเข้ามาทั้งวัน ท, ทั้งออกไปออกมาเนี่ยมันรู้ใครต่อใครพค่อครูไม่ได้เลือกว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงแตจิตมันรู้เองดิญาติธรรมกลุ่มหนึ่งที่ศรีสะเกตนะเป็นเพื่อนรุ่น น, น้องพระครูสมัยเรียนหนังสือนนัแต่เขาเป็นเพื่อนกันเลยล่ะกอดคอกันเมาทุกวันนี้มากราบพ่อครูไหว้พระครูศรัทธาพ่อครูาคมากวันไหนจะมาเนี่ยซอเขาเนี่ เขาต้องสั่งวันไหนจะเอาผ ล, ลไม้เนี่ยต้องเลือกไอ้ที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นฉลอมเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นเข่งๆ เ, เ, เ, เนี่ยเยอะเลยไอ้เข่งๆเนี่ยเอาทั่วไปเอามาให้พระแขให้ทุกคนบริโภคแต่ดีที่สุดท่านต้องยิ้มมาเองเขาต้องหิ้มมาเองต้องให้มือพู้ครูเองไม่ <laughs> ใช่ผู้ครูตั้งใจไปดูจิตเขานะาเพรนะว่าเขาเป็นครูสนมาจิตจิตเขา ก็เาเขาดีมากเคขาเขาท า, านบา ร, รมีนะแต่เขายังมีอามิธอยู่ว่าของพระครูต้องดีกว่าของคนอื่นแปลกมากทุกครันงที่เขาให้พระครูปุ๊บพระครูส่งต่อเลยแต่ตอนน้อมีเด็กปสมต่อยู่นะมันกําลังมาลาพระครูกลับบ้านพระครูเออเมโมทนาสาธุบุญรักษานะปุ๊บเด็กเอไปกินกันจิตก็เติ๊ดเลยข้างในครัว ก, ก็มีอยู่มีอยู่ พ้าคนเดียวจะกินอะไรกันมากมายขนาดนั้นก็จิตตกเลยนะจิตตกเห็นไม่ชัดเลยว่าตั้งใจมาแล้วเนี่ยแล้วมันแตกมากสามสี่ครั้งเป็นแบบนี้พวกคุณไม่ได้คิดไม้แต่น้อยว่าจะทำอย่างนี้อะไรเลยนะจิตมันทำเองครั้งหนึ่งเหมือนกันสั่งเค้กมาเอาอร่อยที่สุดเลยในศรีสเกตนะไอ้ก้อนใหญ่ๆมาให้พระแขกไปให้ญาติธรรมให้อะไรไมากิน ก็ไม่ให้ผู้คูยอยู่ศาลานี่เองอยู่กันแหละบังเวรครูก็มาเข้าไข่กันแล้นก็มาลาผูครูยืนเรียงแถวอยู่ครูก็เลยอร่อยไปเลยแกก็บนี่นี่ข้างในครัวมีแล้วนี่นี่ของผ้ครูคนนะผูค้ครูบอกไข่ไปแล้วอี่ทำบุญตามบุญไม่ใช่บุญเนาะมันเป็นแก้กิริยาในการทําบุญบุญกิริยาแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยมันมีอาญิต แต่ถ้าเราเป็นวิจิตที่คิดว่าเพราะครูสะสมตักตุนแล้วดีใจดีใจเนี่ยครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าตอนนี้เป็นเบาหวานกันทั่วเพราะอะไรเอาของหวานไปถวายแล้วในนั่งอาจารย์ไม่ฉันตะขีหนึ่งไม่ฉันตะขีหนึ่งกลัวท่านไม่เป็นเบาหวานเนี่ยเราทําบุญแบบนั้ น, น, นไงทําบุญตามบุญเห็นไหมเขารับบูชาท่านจริงจริงเหรอนะ ไม่ใช่สมเสรที่ท่านตายไปๆเนอะท่านเหมืน ไ, ไม่ฉันตะกีนไม่ฉันตะกีนเองพวกครูพูดให้ฟังแล้วบางทีว่าสมน์พวกครูไม่ได้จำํำบอกใครเป็นใครแต่พอถึงเวลานั้นแหะจิตมันดําเนินเองแล้วเขาก็เต้าหน้ามากเพระเาะตอนนี้เราติดบุญนะบางคนถามพระครูว่าทําบุญตามบุญเป็นแบบไหนทําบุ ญ, ญมียอามิ่งเป็นแบบไหน ผูหลังเห็นก็สอนว่าจบไว้นะจดจจจจดตอนนี้มีพวกวุโสเราเนี่ยเนี่ยชอบจดมีอย่นะสดดโมแล้วก็จดจดจดวันนี้วัมาอ่านมัาันทบุญที่ไหนบ้างแล้วก็สอนเราว่าวันที่จะตายเนี่ยคิดถึงบุญก็ใหญ่เลยนะอันนั้นมันตามบุญหรือเปล่าล่ะบุญเกิดจากการให้ทานทาบุญทาทาน ทานคือจาคะสลัดความเลอกความตันออกได้ทันทีบุญคือเบาบาปคือหนักทำบุญไปแล้วไม่ประกาศชื่อทันทีหนึ่งเห็นไหมทาบุญทำลายความเลอความหลงแล้วเมื่อไหร่ันจะหมดละ่ะทาบุญสร้างอา น, านาคตนนาคตใหม่ต้องการอ น, นาคตมันดีขึ้นพระริเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระองค์สอนให้ทำบุญทำทานทานศีลภาวนา ทำบุญทำทานคือเป็นการสลัดความวุ่ความตันหนีออกเป็นการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสบุญคือเบาบ า, บาคือหนักเมื่อเราลดวความพยายามอยากเราแล้วเนี่ยตัญหามันก็น้อยลงการกระเสือกกระสนที่จะไปเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นการสร้างกรรมมันก็น้อยลงนี่คืออุบายในการทําบุญทําทานแต่ตอนนี้สะสมบุญกันสะสมบุญไม่กิเลส น, นะสะสมตักตุนในกิเลสเท่านั้นแหละ ก็ก็ให่เข้าใจทําบุญตามบุญไม่ใช่บุญต้องทําบุญทำบ่อยๆนะเพื่อคนอื่นไม่รู้ชั้นเข้าแต่จิตเรารู้เราหลอกคนอื่นแ้่เราหลอกจิตเราไม่ได้กรรมชี้เจตนาอยู่ที่ว่าตอนนั้นเราทําเพื่ออะไรถ้าทํากับคนดีฉั้นดีใจมีอาญวิปัสสน์บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสุญญตาทานทานซึ่งไม่มีผู้รับและผู้ให้ สักแต่ว่าให้ให้ไปจบละเราได้ทำหน้าที่เราแล้วโยนภูเขาออกจากอกโยนความตนีความโลภความเห็นแก่ตัวออกจากอกเราก็เบานั่นแหละคือบุญนั่คือเป็นกุศลเมื่อมุญจิตเป็นกุศลมันคือขัดเกลาจิตให้ป่องใสทาบุญแล้วไปนั่งจดนั่งท่งจำอยู่ตรงนั้นน่ะอันนั้นคือกิเลสมีผู้รับผู้ให้เลือกคนให เห็น ไ, ไหมอโซคนนี้สุดท้ายแล้วเขาไม่ต้องพิเศษล่ะพิเศษเพราะกูก็ไม่ได้กินต้องการให้พกก่อครูอยู่ยาวๆเนี่ยไม่ต้องให้พ่อครูกินเยอะเนะกินเยอะแสดงดว่าไม่ได้รักพ่อครูอยากให้พ่อครูแข็งแรงอยากให้พ่อครูอะไรๆเนี่ยนะอยากนะพกก่อครูว่าแค่คิดเฉยก็บุญแล้วไม่ต้องทําหรอก เขาบอกบุญสืบเนื่องเห็นไหมที่พวกคุยยกตัวอย่างบ่อยๆสตรีท่านหนึ่งขับรถแต่ยางระเบิดชายชะการห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้อีกท่านหนึ่งขับรถแต่ยางระเบิดชายชะการห้าคนขับรถมาฆ่าข่มขืนอุปทานเหตุทั้งสองอย่างนี้ทาไมคนนี้รอดทําไมคนนี้ตายเห็นไหมทาไมห้าคนที่มาช่วยเราไม่รู้จักกันเลยทําไมมันมาช่วยเรา 5คนนี้ก็ไม่รู้จักเลยทำไมนึงมาฆ่าเราสมองเราไม่รู้หรอกจิตมันรู้เราทำบุญที่สุดอ๋อใส่ใส่มาใหม่ๆพวกคุณไม่มีตู้บริจาคนะพวกคุณไม่รับเงินสิบกว่าปีไม่มีไฟฟ้าเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายมีคั้นหนึ่งเขาแก่มกดาหารมีรถบัสมีโรงน้ำตาลลูกชายก็เป็นเพื่อนพ่อคุูเป็นสอสอ ม่เย็นเพราครูที่นี่พ่อคูก็สนทนาธรรมอะคุณพ่อเขาก็ชอบมากจะกลับเขาก็พาึ้นมาทําบุญพวกครูพวกครกูที่นี่ไม่ได้รับเงิอนอ้ะพวอครูสอนว่าทานศีลภาวนาไงเออการทําทานก็ดีไงทํำไมพวกคูไม่ให้ร่วมทําทานด้วยบอกคุณพ่อได้ทํำที่อื่นกันแล้วกันที่ที่ขี้เกียจจดบัญชีที่เกียดรายงานใคร ก็กลายเป็นเรื่องหนงอาจารย์มหาสีไปเจ้าบัติที่นี่ก็คุยกันบอกว่าเราเดินสายกลางนะพ่กคุยก็ทําตู้บริจาคแต่ไม่ต้องเรีย อ, อะไรใครจะใส่ก็ใส่เข้าไปนั้นทีนี้พอมีตู้มีเงินมาเกี่ยวความพุ๊ก็ตั้งคณะกรรมการไอ้คนไม่เป็นกรรมการมันก็ไม่เชื่อกลายเป็นว่าพกกกออ่อคุณต้องไเดือดล้วนต้องไปถือกุญแจบ้าๆอย่างนี้พ่อคุณหนีมันมาเห็นไหม แล้วกูคุจริงเหรอเพิ่มนพาไล่ผู้คุยมันต้องจบสิ้นคำว่างเงินเนี่ยมันมันเป็นัวงมองงองก็งอเงินก็งองถ้าไม่ระวังจะงอหมดนะแต่ทีนี้เมื่อเราให้แล้วโอเคก็สายการก็สายการเรื่องพวก น, นี้เนี่ย บุญบาปมีจริงถ้าไมสิห้าคนนั้นนมาช่วยทำไมห้าคนนี้มาฆ่าเราทำบุญที่นี่พอครูก็ให้กระแขให้น้องคีเนี่ยไปจ่ายเงินค่าอาหารเด็กๆที่นี่มันไม่รู้หรอกสมองมันไม่รู้ว่าเงินใครแต่จิตมันรู้เขาเรียกว่าบุญสือ่อมงื่อแต่ถ้าเราไปทำบุญกับขอทานได้ไหมได้ได้ไดไดให้แล้วได้เราได้ให้แล้ว แตบุญมันจบอยู่ตรงนั้นถ้าขอทานไปซื้อเล่ากินใครรู้เรื่องนี้เยี่ยมระบายม า, ย า, ยายนั่งจดเหรอจดไม่ไหวหมดหม้อแต่ละตัวก็มีจิตจิตใครจิตมันบันทึกไปจิตสื่อจิตเห็นไหมจิตเขารู้เองเ ห, อเหมือนเหมอจะมีเมตตาเอ่อเรามีเมตตาบ่อยๆแล้วเนี่ยเห็นไหม ม, มันส่งผลที่ฮอร์โมเราบุคลิกภาพเราถ้าคนเมตตาปุ๊เขาก็ไม่ได้พูดอะไรไปด่าคนอื่นเนี่ยคนเขาก็รักเราโดยธรรมชาติเห็นไหมนี่คือผลของกรรมไงไม่ต้องเราหางไกลหรอกในตัวเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแม้กระท่านเราฝึกไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เลือดโดนเราเปลี่ยนกายพิจิตตราม ล, ลมีชีวีมีสุขนะกระดูกก็เปลี่ยน ก็เปลี่ยนเห็นไหมอารมณ์ของจิตรเรามันส่งผลถึงกายภาพเลยเห็นไหมมาที่นี่อย่างอื่นไม่รู้หรอกหลายคนมาไม่คนทําไมที่นี่หน้าใสหมดเลยก็มไม่กดไว้ไงมันปล่อย อ, อกมนเลยไม่ใช่ว่าไปเข้าค่ายนะปิดวาจานะสิบวันไม่ให้พูดไม่ให้จาสบายสมัยไม่ได้ยินใครบนฉันก็ไม่ต้องพูดแต่พอกลับบ้านต้องพูดแก้แค้นเพไม่ได้พูดมาสิบวัน หน้าดําคร่งเครียดมาที่นี่นิดเอาออกมาให้มันหมดเลยเอปล่อยออกมาให้หมดตับบ้านมันจะได้มีแรงพืดมันจะได้ไม่ต้องเบืคือธรรมะคือธรรมชาติมันหนักเราก็วางทําไมต้องไปตั้งเงื่อนไขให้มันเครียดแต่นี่ไม่ได้ผิดนะเป็นอุบายบางคนเขาบังคับตัวเองไม่ได้เขาก็ใช้อุบายเทคนิคนั้นนะ่ะมาช่วยเราบังคับ แต่เราต้องเข้าใจอุบายนะั้นไม่ใช่เป็นหลวงอุบายแล้วเอาอุบายนะั้นน่ะมาเป็นเงื่องไขทําลายล้างกันไปจับถูกจับผิดกันนะ่ะผู้ปฏิบัติธรรมทําอย่างนั้นเหรอที่นี่พระครูจึงไม่มีกติกาไม่แต่ข้อหนึ่งส่วนนักบวชของท่านเนี่ยไม่ชีสามนเณรพระคุณเจ้าเนี่ยก็มีสิ่งวินัยในตัวเองอยู่แล้วพระคุณไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่มนะทุกคนมีสํานึกอยู่แล้วมีจิตสํานึกมีจิตอยู่แล้วนอกจากทุกคนไม่มีจิตมีอยู่แล้ว นะถ้าเราตั้งกติกาปุ๊บมันจะมีคนผิดและคนจับผิดกันเห็นไหมขณะไม่มีกติกามันก็ผิดใจกันอยู่นะแต่มันไม่รู้ว่าจะผิดข้อไหนเพราะมันไม่ได้ตั้งข้อเห็นไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวผิดปุ๊บมันเลยมันก็หายละ่ะมาฟ้องพวกคุมว่าอะไรเนี่ยทีนี้บางครั้งนี่แก้วเออรปุ๊กเอเนี่เขามาคุยกับพวกคุณบ่อยๆ อ, อย่าไปเข้าใจว่าเขามาฟ้องเขา เขาก็มีสํานึกเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมเขาไม่หาเรื่องจะททำร้ายล้างลายไข่เขามีตะบอกก่าวเป็นห่วงก็ไม่ห่วงนีอะไรนีแล้วก็ดูแล ด, ดูแลกันใครเข้าใครออกเป็นหน้าที่ที่เขาต้องรายงานพวกครูเราเองเนี่ยวิตกจิตมองไปเอ๊มันฟร้อรมเดือกูหรือเปล่าอะไรเนี่ยถ้ากูไม่ทำผิดกูจะไปกลัวทำไมเออ ถ้ากูทําผิดกูต้องขอบคุณเขานะเออเขาเตือนมะาว่ากูต้องระวังตัวหน่อยหนึ่งนั่นแหละคือศักยะทติตีละ่ะตัวกูของกูแล้วก็เพิ่มมานะไปด้วยเนาะปฏิบัติถูกก็เหวี่ยงทิ้งผิดก็เบี่ยงทิ้งนะพระภูเพอวคำนี้ตอนนั้นไปสอนที่เพชรบุรีจังห ว, วัดเอวัดนุ่นดีก็เบี่ยงทิ้งชั่วก็เหวี่ยงทิ้งมั ก, กทา ย, ยกยุบมือเลย ดีทำไมต้องเบี่ยงทิงสร้สางมาเกือ <c ười> บตาย <c ười> ไม่ใช่เหบี่ยงความดีที่เบียงความยึดมั่นถือถือมั่นความหลงดีทิ่งเห็นไหนไมก็บอกสร้างมาเกือบตายเหบี่ยงทิ้งทำไมเพราะเราไปติดดีไงเราก็ไปหลงว่าคนอื่นไม่ดีเห็นไหมไอ้ทีไปว่าเข า, าไม่ดีนี่เป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีสัหน่อยหนึ่ง ผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วผู้เจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์สอนให้เราทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ติดดีไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีเป็นคืออัตตานะไอคนที่เป็นคนดีเนะี่ยคือว่าคนอื่นไม่ดีแนตะ่คุณเป็นคนชั่วลายอย่างยิ่งคุณไม่มีเมตตาคุณให้พยธาธิ์เขาไม่ได้เห็นไหมภาษานี้ต้องระวังนะทำดีทำแค่พอดีแต่อย่าไปติดดี ช้างที่ี่ยไปที่ตามช้างตอนนี้เขาบอกทาบุญก็เลยทําดีแข่งกันทําบุญใครๆมันประมวลอะไรเนีเหมือนประมวลแชร์กันนย่านะเออใครทําเยอะหน่อยนั่งใกล้ๆครูบาอาจารย์เอใครทำได้น้อยประดั้งตายแถวอย่างนี้นะมันเอาตัวเลืกมาแข่งกันเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันอยู่ที่เจตนาเรา เราหมากเราแด่งปันมากคนมิน้อยก็แด่งปันน้อยแต่ฝึกบ่อยๆการให้เนี่ยเพื่อสลัดความวุ่ความตันนี่เราเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้กลายเป็นอาลีซัพย์เพราะว่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยเวลาเราตายแล้วเนี่ยเอาเราไปเผาเนี่ยเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินเป็นเป็นฝุ่นละอองตรงนั้นน่ะ น, นะซับสิ่งว่าบาทหนึ่งก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นอาลีรัพย์อยู่ในนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เวลาจะตายออ้ยฉันลืมทำบุญทําบุญตอนนั้นสายเกินไปแล้ว เมื่อเราทําแล้วนี่คนอื่นไม่รู้ไม่ใช่โยมกบาลมาจบไว้นะจิตบันทึกไว้แล้วเราได้ทําแล้วไม่ต้องไปนั่งจบนั่งจำมันเผายัางไงก็เผาไม่ตายถ้าเผาตายก็ดีนะยิบตายไปๆเผาเราก็จบเป็นวิพญานกันหมดธรรมชาติบอกอย่าค้ากําไรเกินควรโปรแกรมกรรมที่เราสร้างไว้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันเผาไม่ได้จิตตัวงนี้มันก็แบก ไปอยู่ในล่างที่ดีขึ้นหรือเร็วลงเนี่ยมันอยู่ที่กรรมดีกรรมชั่วเราสร้างรา่ว่าบางครั้งคนที่ชอบพูดอะไรเร็วๆชอบพูดอะไรที่เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมีสติคุมมันหน่อยหนึ่งนิ่งเฉยตํารุงทองไม่ใช่เอาแต่พูดนะให้มันสะใจไปงอกไปแต่ละคำเนี่ยมันเป็นวัชจีกรรมคนอื่นเขาเดินผ่านเขาไม่รู้หรอกอะไรเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกไม่ดีกับเราแล้วใช่ไหม มันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับเราเลยเนาะถ้าต้องการพูดเนี่ยพูดแต่เรื่องเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นเป็นกุศลนั่นแหละถ้าเราพูดเป็นกุศลแล้วเราได้ให้าธรรมทานแต่ถ้าพูดเป็นให้กุศลเนี่ยภาษาเหมือนกันนะเป็นวจีกรรมการให้ทานก็ออกมาทางปากนี่แหละการสร้างกรรมก็ออกมาทางปากนี่แหละนะการทําบุญก็ออกมาทางร่างกายนี่แหละการสร้างกรรมออกมาทางร่างกายนี่แหละ เห็นไหมหกช่องประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจความดีก็ออกมาจากตรงนี้ความโชั่วออกมาจากตรงนี้นะถ้าเรายังทําไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้สติแล้วก็ใช้ศีลเนี่ยมากดขม่มมาบังคับตัวเองหน่อยหนึ่งไม่งั้นเราสู้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์เรามันชอบตามใจตัวเองจะพูดอะไรก็พูดไปนะ่ะมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเลย ไอสิ่งที่ดี ๆ, ๆก็มีแล้วก็ดีแล้วก็รักษาความดีให้มันมากขึ้นทำดีนะแต่ถ้าไม่ละชั่วแล้วมันจะไปไหนระหว่างทำดีกับละชั่วเนี่ยหลวงปู่ดินพูดเองเนี่ยละชั่วเนี่ยยิ่งกว่าทำดีอย่าแกล้งทำดีนะแต่ก็ยังทำชั่วอยู่ถ้าเราทำดีจริงๆเราต้องไม่ทำชั่ว เพรที่ทําไปเนี่ยจะทำดีสิบเปอร์ไปทำชั่วยีสิบเนี่ยมันขาดทุนถ้าถ้าคนทําดีจริงๆเนี่ยเขาต้องหวงความดีเขาเนี่ยเรื่องอะไรเขาจะไปลดความดีเขาออกโดยการการทำความชั่วล่าชั่วสําคัญกว่าทําดีแต่ดีที่สุดต้องล่าชั่วทําดีแล้วก็ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสด้วยนั่นแหละนิพพานอยู่ใกล้ๆเป็นศาสตร์ที่ง่ายที่สุดในโลกในจักรวาล ทำแค่สามข้อไม่ต้องเรียวนวิชาเยอะๆให้นเป็นขยะรู้มากทุกมากทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ปลองใสยนี่คือเป็นพุทธโอวาทที่แท้จริงเป็นตัวประธานเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าจัดผู้นพุทธโอวาท ว, าว่าตาบีโมกเนี่ยที่พุทธศายนาคนต้องทำเหมือนกันนีอย่างเดียวเท่นั้นคือการไม่ทาบาป ท, ทั้งปวง การทํากุศลให้ถึงพร้อมการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสส่วนข้อผิดย่อยนั้นแล้วแต่จริตแต่ตอนนี้เราลงข้อผิด ย, อย่อ้นกติกาต่างๆนี่มาเล่นงานกันน่ะเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งคนทําดีไปว่าคนอื่นทำไมละ่ะว่าพุ๊บนี้เราทําชั่วล้วนี่สังยานี้ต้องทําเหมือนกันส่วนข้อผิดย่อยอย่างอื่นเนี่ยอุบายในการทําดีอุบายในการล ะ, ละชั่วอุบายในการเจริญภาวนา จะหลีดใลีดมันตอนนี้เราเรื่องปีกย่อยมาจับถูกจับผิดกันมันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาละอะไรโอเคนะก็คือนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรสุดท้ายนี้พวกครูก็ขอรัตนาคุณภาษีลัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสาคลจักรวาลพร้อมทั้ง บ, บุญบารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืน บรรลุมักผลนิพานโดยไร้เทอน